อันนี้เด็กชายนักขูดไม่เข้านะอย่างครับยังไม่ยังไม่เห็นเข้ามาครับอ่าอย่างก็ไปที่น้องพีก่อนน้องพีพอไหมยังอไงน้องพีอ่างั้นไปที่น้องทีมก่อนแล้วกันที ม, ทม อะไรอยู่มมกรลังมาร ก, กินข้าวเย็ยนอยู่แล้วคืขอขนมครับออกินขนมกินข้าวเย็นแล้วใช่เลยจ้า้องสู้ก็ไมเปเวลรก็ฝึกไปเรื่อยๆก่อน พอดีคุณแม่ก็ชอบไปกวนเขาด้วยล่ละคะ่ะอันนี้อาจจะอาจจะผิดไปนิดนึงอะคะ่ะต่อต่อไปคิดว่าจะไม่ไม่ทักเขาแล้วะคะ่ะเพราะว่าพอดีเวลาหนูเห็นเขานั่งแล้วไม่นิ่งอะคะ่ะหนูจะค่อยบอกเขาว่าแบบเหมือนให้นิ่งนิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้อดทนนะคะก็ไม่เป็นไรก็เตือนกันได้เริ่มตอนจะได้ทำให้ถูกวิธีค่ะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้เขาลองดูแปดนาทีดูเจ้าค่ะ ย, ยาวแต่เวลานะต้องเอาคุณภาพด้วยนะ <c oughs> นั่งนั่งเราต้องนั่งนะไม่ใช่นั่งแล้วกระดุกกระดิกได้ค <c oughs> ่ะต้องนั่งอยู่กับพุทธโธไปอค่นี้ไม่ยากหรอกคเดียวใช้กับพุทธโธพุทธโธพุทโธไปครับกาไมไปใหม่อาจจะไม่เคยชินก็จะรู้สึกยากเลย แต่พอทำไปมากๆเข้ า, า พ, อพอมันชินแล้วมันก็นจะง่ายแต <'s> right. ่แบบฝึกในสิ่งที่ดีไม่เป็นไรสิ่งที่เป็นดีเราฝึกมานานนะอันนี้เราจ้เปลี่ยนวิธีเได้กินขนมอย่าไปกินขนมเลกกินก็กินตอนที่กินอาหารทีเดียว ไ, ได้ไหม ไม่ได้ค่ะมันทำไมล่ะมันก็เข้าไปในท้องเหมือนกันบางทีเราออกกำลังกายแล้วมันเผาผ่านออกไปหมดแล้วครับ่อรู้ได้ไง <c oughs> <c oughs> เออเราลุ้นกันหมเลยนอ <c oughs> เอก่งมากเก่งยิ่งกว่าหมอเองนะอ่าแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาอ่าเดี๋ยวเราจลอลงอแล้วก็มีออกกำลกายพยายามปกกำลังกายตลอดครับ ถ้ากินน้อยๆก็ไม่ต้ออกกําลังกายมากไปได้ถ้ากินมากต้องออกกําลังกายมากค่ะถ้าออกกําลังกายมากมันก็หิวอีก็พราะกินอนิดๆถือลดการกินดีกว่าใช่ไหมลดการกินลงไ้ไต้องออกกําลังกายเพราะไม่ออกกําลังกายก็ไม่หิวอ่ะโอเคนะ เข้าใจว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไงก็ต้องนั่งนั่งให้สม่ำเสมอตลอดอะไรแบบเนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมากจะน้อยก็ต้องก็ต้องฝึกนั่งไปนะคะแล้วก็ที่พระอาจารย์สอนเมื่ออทิตที่แล้วว่าออปัญญาเนี่ยเอาไว้มาใช้ตอนที่เราเจอเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาแล้วถึงตอนนั้นก็ให้สอนใจว่าเออมันมันเป็นอนัตตา หรือมันเป็นถูกเป็นแบบเนี้นะคะ่ะก็เลยก็เลยได้ใช้ตามที่พระอาจารย์สอนนะคะเรารู้สึกว่าก็ดีขึ้นสงบขึ้นเราก็เลยลองก็มาเช้านี้ก็กลับมานั่งสมาธิได้แบบค่อนข้างจะพอใจนะคะพระอาจารย์แต่เหมือนมันก็มีขึ้นขึ้ น, นลงลงอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะต้องดีไปตลอดหรือว่าแย่ไปตลอดแบบนี้นะคะ่ะพระอาจารย์มันก็ต้องน้อมนุกคู่คานไปก่อนอนะมันเด็กที่หัน อาจยืนหันเดินก็นอนได้สองสามก้าวมายัล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ให้เป็นไรนี่เป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติค่ะต้องปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเป็นบทเรียนให้เรารู้ด้วยแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขไปเขอสําคัญต้องต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องออย่าหยุดเพราะหยุดได้เดี๋ยมันจะมันจะชวนให้หยุดอีกพอหยุดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชวนให้หยุดอีก เอยู่บ่อยๆเขาที่นี่เพราเราจะกลับมาทํานี่ยากนะแต่ถ้าเราทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่มันก็ง่ายค่ะพยายามรักษาการปฏิบัติให้ได้ให้มันทำํำมันกินข้าวเราต้องกินทุกวันหิวไม่หิวเราก็กินเรารูว่าถ้าเราไม่กินก็เดี๋ยวมันก็ต้องหิวค่ะเห็นมาถึงเวลาต้องกินก็กินดีกว่าเดี๋ยวเกิดเวลาหิวมันไม่มีอะไรให้กินมันจะยุง่ง ก, ก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็จะพยายามนั่งสมาธิค่ะโดยเฉพาะยิ่งเวลาช่วงที่มีอะไรที่เข้ามากระทบให้ไม่สบายใจค่ะก็รู้สึกว่ายิ่งต้องเข้ามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจมันสงบลงแบบเนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกดีนะคะพระอาจารย์ตอนที่ได้นั่งอย่างน้อยครับถ้าไาม่เหตุสุดวิสัยถ้าไม่นั่งไม่ได้ก็ต้องมานั่งชดเฉยในวันในวันต่อไปก็ได้ กน น, ม, นมันจะได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะเกเลี่ยนั่งไม่ได้เดี๋ยวต้องมาชดเชยเรามีวันหยุดชดเชยเราก็ต้องมีการปฏิบัติชดเชยะนะก่เลสมันชอบเราว่ายุ่งวันนี้ไม่สะดวกแต่๋ยวพนี้ก็ยุ่งอกีกไม่สะดวกอกีกยุ่งไม่สะดวกก็ต้องหยุดต้องชดเชยะะค่ะ ก็อย่างบางทีนั่งตอนกลางคืนแล้วมันง่วงอะค่ะรู้เลยว่าอันนี้แบบเป็นเป็นความความง่วงเข้ามาค่ะหนูก็เลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมานั่งตอนเช้าแทนเพราะว่าช่วงนี้ลูกเปิดเทอมแล้วไปถึงออฟฟิศเร็วก็เลยได้ไปนั่งที่ออฟฟิศตอนเช้าก็ก็ดีขึ้นนะคะพาอร์ทจันก็เลยปรับไปเรื่อยๆค่ะให้นั่งบ่อยๆปรับไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีพยายามปรับเปลี่ยนไปนะคะพาาจรย์เอัน ลองผิดลองถูกนักปฏิบัติต้องต้องกล้าลองผิดลองถูกเพื่อจะรู้ถ้าผิดเราก็อย่าไปทําอีกถ้าอันนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปทำถ้านี้ดีเออเราก็ลองทําให้มากขึ้นอะไรทำนองนี้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองก็จะกลับไปฝึกต่อค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะสาธุกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะออ่าแม่น้องพี่กับน้องพี่พร้อมแล้วนั้นพร้อมหรือยัง ่าพแล้วว่ามาเลยเพราะชอบมานักกีคือลำโพงมันพังก็เลยต้องเอา อ, อันนี้มากสีกับนะลำโพงในโน้ตบุ๊กมันพังค่ะเสียงไดอานิจามันเป็นอานิจาใช่ค่ะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนต้องมีวันเสื่อมวันดับไว้ไวันใดวันหนึง่งเป็นธรรมดา ก็อนัตตาก็ห้าวมันไม่ได้ก็ต้องทําใจอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองอน้าพีตอนนี้นั่งสมาธิได้ยังได้แล้วค่ะนั่งทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันคะ่ะเออนั่งได้กี่นาทีห้านาทีค่ะต้องนัง่น ง, ง เ, เวลานั่งทําังไงเวลาที่นั่งก็อัดอยู่คะ่ะ เวลานัาง่งเวลานั่งบางทีทำอ่ารนั่งเฉยๆหรือว่ามีท่องอะไรไหมไม่มีแบบทีาแมาบอกให้พุทโธหนอไม่พุทโธเลย พ, พุทโธแล้วก็หายไปเลยอ่อย่างนั้นก็ไม่ได้นั่งสมาธินั่งเฉยๆตอนนั่งสมาธิต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธคากลับใจยอยู่เรื่อยๆใจถยอนึ่งเลยพุทโธแล้วก็หายไปตลอดเลยก็ต้องดึงมันกลับมาสิพอหาแล้วก็พุทโธใหม่พุทโธใหม่ อ, อย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดียวมันก็หลับไม่ไม่หลับมันก็ไปคิดเรืนะ่องอ่ะนี่นี่ก็หาวอะไรเงี้ยได้เวลานออได้เวลาเล่นเกมนี่หายหาวเลยเนี่ยค่ะโดนหนูโดอยู่ค่ะตาบวมในช่วงปิดเทอมนี่ห้ามอะไรไม่ได้เลยเล่นจนใต้ตานะค่ะบวมวันก่อนหนูก็เลย เปิดตาข้างในแดงก่ำเลยค่ะบวมอยู่ต้องเอายาเอา่ยยาหยอดตานะคะมาหยดนี้ำตาเทียมาค่ะต้องหยดให้เขาตลอดอืมก็เลยบอกว่าก็เลยเอารูปภาพเด็กที่แบบว่าชอบเน่นมือถือชอบแกล้งอ่างนั้นะตาบอดตาบวมตาแดงแล้วถามกลัวไหมมาบอกค่ะก็เคยให้ดูแล้วนะก็คือยังไม่เชื่อคือก็ต้องปล่อยให้โดนเองค่ะอืม เขาชอบลองของหนูก็ต้องกั้นใจก็ต้องให้เขาเจ็บเจ็บด้วยตัวเองเพราะพูดแล้วไม่ฟังเจ็ไม่มจําไม่เจ็บไม่จำเนยะใช่คนะ่ะต้องแบบต้องต้องให้เขาโดนด้วยตัวเองเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยพูดจากเสียงเยอะมีมีคําพูดที่ที่มาขัดแย้งโต้แย้งตลอดก็โอเคปล่อยตรงนี้ตรงนี้เขาก็าส่งเสริมเด็กให้ กล้าเถียงกล้าก้าถา ม, มจะได้ว่าเด็กฉลาดถ้ากล้าเทียงกล้าถามถ้าชื่อฟังจะไดงว่าเด็กโง่ อ, <c oughs> อันนี้เสียงเสียงเกินไปว่ะวง่อถามทุกเรื่องมีอะไรถามหมดมีอะไรเล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องอถามหมดทุกเรื่องอันนั้นไม่ใช่อันนี้มันคือจะต้องคือเขาจะต้องมีตักกะ ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้คะก็ต้องคอยอธิบายตลอดนะเป็นไปตามยุคตามสมัยสมัยก่อนให้เด็กเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เด็กพยายามเชื่อฟังต้องย้อนถามอยู่ื่อยมีความคิดเป็นของตัวเองเยอะนะเขาดูเยอะกว่าเราค่ะตอนนี้อืมดูไม่ถึง ดูในสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าประโยชน์ต่อจิตใจนะดูในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจคนะ่ะตอหนูได้พอดีไม่ได้เห็นที่โพสที่ในเพจของหลวงพ่อค่ะดูติ๊กต k อกบ้าบอแล้วก็ไม่ได้คือเรื่องเรื่องดีๆมีสาละไม่ไม่ไม่ดูกันดูท ร, ร ม, มาแค่สองสามคนมแต่ดูติ๊กต k อกดูอะไรที่แบบบ้าบ้าบอๆนี่เยอะดูเป็นรากนะ่ใชูอ่านทนะุกคำมาก ก็อย่างว่ามันมันก็จริงอค่ะธรรมะนี่แค่ถึงมีคนดูไม่ได้คนไ ม, ไม่สนใจคนชอบของตลกชอบดูลรื่องเฮียทให้รู้สึกคลายความเครียดของเขาอาศักายการดูเรื่องไว้สาร ะ, อะของหนูก็คือถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยใจมันก็จะแบบว่ามันก็เหมือนว่าคนถ้าไม่ได้ฟังธรรมะถึงอย่างหนูค่ะใจมันก็อาจจะคิดไปโน่นไปนี่แต่ว่า แต่จะอยู่เงียบๆเฉยๆชอบแบบเงียบๆแล้วก็ถ้าได้ฟังธรรมะมันก็จะสงบแล้วก็คิดตามคำสอนปูบาจามตลอดะโอเคไม่อะไรไหมไม่มีค่ะหนูยังปฏิบัติปกติอยู่ค่ ะ, <ด>ะนั่งถ้าเกิดว่าก่อนจะนั่งพอดีเน็บมันกินตรงตรงเส้นเอวที่หลังอ่ะหนูก็เดินจงกลมเลยค่ะใช้เดินแทน่ะเดิน เ, <ร>เสนเร็จนั่งแล้วต้องบ การปฏิบัติให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงอ่ะค่ะแต่ถ้านั่งก็นั่งได้นานอยู่ค่ะดียิ่งนานเท่าไหรย่ยิงดีมันถ้าไม่ใจนื่งใจเฉยใช่ปล่อยวางค่ะนั่งแล้วก็มันก็ตัวเบานะคะหลวงพ่อตัวเบาแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็มีความสุขกับการที่นั่งออกมาก็ก็จากที่จากที่แบบเวลาเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะยิ้มได้ไวแล้วก็มีความสงบแล้วก็ จะเกิดปัญญาในบางอย่างที่ที่จะคิดจะทำในในในสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะอ่าถ้าเป็นปัญญามันต้องเห็นเป็นตายรัตน์เงี้เป็นปัญญาถ้าอย่างนี้นมันก็เป็นกิเลสเห็นว่าถ้าเห็นตรงกันข้ามว่าตายรัตน์ก็แสดงว่าเป็นกิเลสนะถ้าเห็นว่าเป็นสุขนี่เป็นกิเลสนะเห็นว่ามันยั่งยืนถาวอเนี่ยเป็นกิเลสนะ ว่าไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้สุขจริงแต่สุขเดี๋ยวเดียวสุเดียวก็กลายเป็นทุกข์ตามมาจริงค่ะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ในแต่ละวันมันมันดับขึ้นขึ้นลงลงอย่างเนี้ยค่ะอารมณ์แต่ก็พยายามเวลาทุกเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเอาอารมณ์ของสมาธิมาใช้แล้วก็จะสอนตัวเองว่าเธอนั่งสมาธิทําไมฟังธรรมะทําไมก็จะสอนตัวเองตลอด คือ ถ, ถ, ถ้าเกิดว่าชอบฟังแล้วนั่งสมาร์ที่ก็ต้องอปฏิบัติให้ได้เอาลงของสมาริมาใช้ในชีวิตประจำวันโอเคพักท่านนี้ก่อนนะอ่าไม่เป็นไนะขอให้ลวง พ, อพ่อได้ฝันแข็งแรงนะครับไปที่จะได้กับแซีต่ต่อกราบน้ำพ ร, รสการพระอาจารย์ครับตอนนี้นั่งได้กี่นาทีฮะครับตอนนี้นั่งได้สามสิบห้านาทีครับ อดี๋ยวทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับนั่งพร้อมกันหรือเปล่าพร้อมกันครับอ่อดแล้วสงบไหมสงบบ้างไม่สงบบ้างครับเออแเ้วสงบเป็นยังไงรู้สึกสยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ก็สงบครับ ม, มีความสุขไหมต้องมีครับอ๋ออันนี้จะมาส่งการบ้านอะไรบ้าง S 1> <S 1> <S ใช่ครับ <S <S เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งวงพ้นความแก่ไปไม่ได้ <S 2> <S 2> <S <S เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งวงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องคักคลาดจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยเราทํากรรมใดนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอย่างไนั้นเดำมีข้อสอบของชีวิตเราเราอยู่นะชีวิตดาวนี้<ฆ>ไม่ได้มาเกิดมาแล้ ใจอยู่อย่างสบายเนะี่ยมันมีข้อสอบที่จะต้องทดสอบใจเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลาดาจากกันดูสิว่าเราจะทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเราสอบตกถ้าเราไม่ทุกข์แสดงว่าเร า, เราสอบผ่านถ้าเรา ก, กลัวถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราตัวเรา มันจะแก่มันก็เรื่องของมันเราไม่ได้แก่ไปกับมันนะเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเพราะเราอยากจะใช้มันไปนานๆแต่มันเป็นของที่มันเราควบคุมบังคับไม่ได้ที่ทุกข์ไเพราะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านี้ถ้าเราอยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ไปพอยมันเจ็บไปพอยมันตายไป ครับร่างกายเราเนา่ยเป็นยรงไงมีประกอบด้วยอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผื่ใไตฟอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยี่ในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขยข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดี เย่นในสมองศี่สะอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดใตผังผืชตับหัวใจม้ามเย่นในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเจ็บขนอมเวลาดูร่างกายเห็นร่างกายเราเห็นอาการหล่อนดีไหมเคยนึกขึ้นมาบ้าไหม ครับมีเน็ตบ้างครับเห็นนะครับอทั้งของเราทั้งของคนเดินนะครับถ้าเห็นแล้วรู้สึกยังไงยังสวยงามอยู่ไหมไม่ครับอือพยายามนั่งอยู่บ่อยๆตุ๊กตาที่เขาให้ไปเป็นยังไงดีไหมครับต้องขอบคุณคุณจุ๊บมากครับที่ซื้อมาให้ครับเป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตเลยครับได้เห็นเลยครับเห็นความจริงครับ เห็นชัดเจนเลยนะครับเอยืนออกมาดูกลรยจอเลยเนี่ยครับเห็นทาลุเข้าไปใต้วิวนางไหมนะครับเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตาเห็นไตครับจาไว้นะนี่คือร่างกายของทุกคนดีไหมมีอะไรอยากถามไหมได้ไม่มี้วครับถ้างั้นเอาเท่านี้ก่อนนะ ครับกล่าวกับคุณพระอาจารย์ครับอ่ถาถ่าไปคุณภาสนามองคุณหมอภาสนากลับถึงบ้านแล้วเนะอ่ากลับมาสักพักหนึ่งค่ะพระอาจารย์รีบอาบน้ําแล้วก็รีบเข้าซูมา็ ต, ติดในกรุงเทพมากกว่าที่นู่นเลยเหมือนเดิมอืมก็ยังสงบพระสงบนะคะแล้วก็มีแรงพระอาจารย์ค่ะ รู้สึกดีค่ะแล้วก็วันนี้ที่พระอาจารย์เทศก็ก็เข้าใจค่ะเขาค่อยๆดูส่องใจตัวเองไปเรื่อยๆพระอาจารย์ก็ทําเยอะๆอ <c oughs> ความสงบนะั้นเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของใจถ้าสงบ ก, ก็ปล่อยวางได้ถ้าไม่สงบ ก, ก็ปล่อยไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะพระอาจารย์ว่าแบบมันจะสงบได้คือแบบไม่น่าเชื่อคือต่้งไต่ทามาเรื่อยๆตามที่พระอาจารย์สั่งสอนมาเรื่อยๆ มันสงบมันสงบดีอะพระอาจารย์แล้วมันก็ก็พยายามปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดูใจนะพระอาจารย์ว่ามันมีอะไรมาอีกไหมแล้วทำไปเรื่อยๆอะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปวัดเหมือนเดิมขอบพระคุณมาะอาจารย์มากมาเลยนะคะค่ะเจอคุณแปมเจอคุณแปมจ้าพระเทยใช่ไหมพระเทีเทจ้าค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะ เจ้าค่ะโอเคเห็นไปที่อาจารย์พรมพิรายต่ออาจารย์มั น, นกุลไปไหนเมื่อกี้เห็นเดินจงคมอยู่อาาร <c oughs> น้องขับนมัสการค่ะเดินผ่านไปกําลังจะผ่านเข้ามาค่ะเพราะเรียกก็ไม่ค่อยหูไม่ค่อยชัดเจนนะคะมาแล้วแต่กลับเลี้ยงพระอาจารย์ว่าสองสัปดาห์ข้างหน้าจะขอรับฟังข้างนอกนะคะ จะไปทํำจะไปทำตาต้อเดี๋ยวต้องใส่แว่นดําเจอภาพจันทร์ถ้าสลับได้ก็โอเคเพราะแสงแรงทําตาแล้วเขาก็จะให้ใส่ใส่แว่นดำไปค็เลยไปทําตาตาต้องจบไปลอกใช่ไหมลอกลอกระบจบกันถึงเวลานล้ค่ะจะได้ไม่ต้องใส่แว่นนะคะใส่มาเกอบทั้งชีวิตละหวังว่าถ้าเราเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใช่ค่ะก็เหมือนเปลี่ยนเลนส์ เลนตาไปเลยก็ดีนะค่ะมันถึงเวลาแล้วด้วยค่ะหมอก็บอกว่าทำแต่อายุเท่านี้ก็ยังดีกว่าต้องรอไปค่ะก็แก่แล้วอะค่ะได้ก็แก่แก่ได้พอดีเลยอาจารย์สบายดีนะฮะอาจาสบายดีหลังหลังดีขึ้นไหมครับก็เหมือนเดิมแหละพอทุกใช้ไปวันก็ดีงวันก็ไม่ดี การใช้บีบนวดบีบนวดเราท ำ, ทำการยืดเส้นยืดสายไปก็พออยู่ได้ไหมไม่เดือดร้อนตอนนั่งไม่เป็นไร ม, น ม, มันจะมาเจ็บจะเมื่อยตอนเดินหรือตอนยืนนะตอนตอนยืน <S <S เป็นด้วยนะแต่ถ้านั่งแบบนี้นั่งได้ทั้งวันไม่เป็นไรไม่มีอาการตอนนั่งนั่งได้ก็โอเคอนั่ง น, นอนได้นะสองท่าต้องต้องดีที่สุด ให้ยืนกันเดินเนี่ยก็ไม่ยืนมันไม่เดินมันเม่เี๋นี้เป็นทบาทเสร็จเขาก็ก็อีมาให้นั่งรอญาติมาถ่ายรูปเลยเห็นเห็นข้อดิ้นรถอืาเหระหว่างรอเขารู้ว่าเรายืนรอมันเมื่อก็แล้วเขาก็อีมาให้นั่งวันนี้เจอญาติธรรมกับโอโเช่นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นโอเชีนกราสผมก็บอกว่าเป็นตักบาตพระอาจารย์อาอพระอาจารย์นั่งรถ่ะ คนที่แต่ก่อนเขาก็ได้ทำหนังสือหนังสือเล่มใหญ่อะที่เกี่ยวกับของพระอาจารย์แล้วก็มีรูปของวัดนะคะมีปิ้งค่ะช่างภาพเป็นคนถ่ายภาพชอบถ่ายภาพเป็นเป็นโอเชีนเหมือนกุมของปุ้จุบอะค่ะอ๋อทามาให้ผู้จุบเลยเขาก็มามาเจอกันก็เลยบอกว่าได้ไปตักบาตรกันอุโหทนาไป Mm hmm. เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ก็ลูกของรักอ่ะ <Really, really, S 2> ก็ส่งร่มให้ดู mm hmm. ว่าได้คนก็มีความสุขมากมีโอกาสเมื่อไหร่ใครได้ไปก็ไปจับบาพอาจารย์คนก็มีปิติกลับบ้านกันมาอันโมทนากัน mm hmm. ไปการทำบุญนี่แหละเป็นวิธีให้ความสุขอย่างแท้จริง แล้ววันนี้พระอาจารย์วันพระเนี่ค่ะคนตัดบาทเยอะไหมคะวันธรรมดาวันนี้ก็ประมาณสามร้อยห้าสิบังร้อห้าสิบคนเข้าฟังธรรมเกือบรู้สึกจะแปดร้อยกว่าอ่ว่าแปดร้อยกว่าแปดร้ยกว่าแปดร้อยปดสิบเจ็ดยังไงเนี่ยองโมวีโมวีนี่ถกสองสองพันค่ะสองพันโมวีทงันคนกบแฟนคลับเยะ ก็ดีก็มีคนสนใจธรรมะเนี้ย่ยตอนะแถงทำชนะรถทั้งปวงไม่มีอะไรยดดเท่าธรรมะธรรมะทำให้ใจเย็ น, เ, นเหมือนน้ำฉโลมใจใจที่ร้อนๆพอได้ธรรมะละหายร้อนเย็นสบายมันเราเราเออฟังแล้วก็คือฟังแล้วก็ปฏิบตัติเหมือนติดไปเลยนะคะเหมือนเหมือน <laughs> เหมือนติดหนังกัมมัยกรอะไรเงี้ยนะคะมันจะฟังอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆย<ฆ>่งทำมายิ่งได้ยิน ไ, ไ, ได้ฟังยิ่งทำมาปฏิบัติตามไปมันก็จะฟังอยู่ในใจเราไปหวังว่าฟังไปถ้ายังมีพบชาติอยู่ก็ขอให้ติดไปในภพที่ที่ดีๆดยิ่งข<ฆ>ึ้นอเด็ดไปไดแน่บัญญาตบามีเนื้อรู้ทาเรปฏิบัติแล้วมันก็มันก็จะฟังอยู<ฆ>่ในใจไปกเรา <Okay. S 2> มันเสีใจค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะท่าแันแข<ม>็งแรงก็มไม่ได้เจอกันทัก2สองาทิตย์น ะ, ะไม่แน่แคะ่ะถ้าใส่แว่นดำก็ก็เข้าได้ดำเลยก็เข้าก็ติดแล้วมันติดสิติดห้องนี้ไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งกายอดียจะแบบดำตีมาค่ะโอเคสาธุขอบคุณพะอาจารย์ค่ะ ค่ะคุณหมอเนี่ยต่อวันนี้คุณหมอต้าไม่อยู่เลยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะต้ากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ด้วยค่ะพอดีว่าหนูไม่ได้ไปทํางานที่สัมมีฐานหนูประสบความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นโควิดค่ะพระอาจารย์เลยได้ อ, อยู่บ้านเลยวันนี้เลยเลยเ ล, ยลาที่เอกชนค่ะที่สมมีฐานเลยค่ะแต่วันนี้ต้าก็เลยเลิกดึกเลยเลยไม่ทันค่ ะ, ะอาจารย์อืม สมิเตเวรอยู่ที่สีฉะเชาและอยู่ที่เมองอยู่ที่สมิเตเวชนบุรีค่ะชนบุรีค่ะพระอาจารย์ใกล้ใกล้บ้านค่ะก็ไม่ไกลนะเดินทางเดียวแด๊บเดียวค่ะไม่ถึงสิบนาทีค่ะอืก็ยังก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์อ็ก็อย่าทิ้งก็แล้วกันปฏิบัติอย่างต่อเนี่องได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรใช่ค่ะก็ยึดคํานี้ของพระอาจารย์เลยค่ะว่าถ้าจะไม่ทําเพิ่มก็อย่าถอยลง S <S 2> <S 2> คือตอนนี้ยังไงแบบกลงคืนง่วงแค่ไหนถ้ายังไม่ครบสามสิบนาทีทั้งวันยังไงวันนี้ก็จะต้องแบบเอาให้ได้ค่ะพระอาจารย์ดีควา<ต>มเพียร น, นี้เป็นธรรมที่สาคัญคถ้าไม่มีควา<ต>มเพียรแล้วกไ็ไม่มีไม่มีไม่มีผลตามมาอย่างแน่นอนแต่จริงๆก็คือรู้ตัวว่าจริงๆถ้าเกิดแบบมีความเพียรกว่านี้ระหว่างวันมันแทรกทำในช่วงต่างๆได้ค่ะก็เวลาเดินไปตามตึก ต่างๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเดินร<ด>งกลมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่จารยถ้ามีสตินี่เราถือว่าเราได้ปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ตรงแห่งขนทำมณเฑียรมีสติทํางานยมีสติก็ทันว่าเราได้ปฏิบัติแล้วมีสติเราก็ได้ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์การปฏิบัติเป้าหมายแรกก็คือการเจริญสติเองสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดพระเจ้าต้องตัน เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญเป็นเหมือนรอยเท้าช้าที่ยิ่งใหญ่กับรอยเท้าของสัตว์ทั้งทั้งหมดทําได้ตลอดเวลาอทําได้ตลอดเวลาด้วยแล้วจะนําไปสู่การนั่งสมาธิได้ที่ได้เป็นผลดีแล้วจากการจากนั้นจากสมาธิก็จะนําเราไปสู่การเจริญปัญญาปล่อยวางนะเพื่อพยายามเอาสตินี้ก่อน เป้าหมายแรกคือการจาระสติให้เป็นสัมปัชัญญะให้มันมีอย่างต่อเนื่องสัมปัชัญะคือการรู้ตัวควบพอคือคือคือสติสัมปัชฌัญะคือรู้อย่างต่อเนื่องรู้อย่างต่อเนื่องไม่ไม่ไม่ขาดตอนถ้าขาดตอนก็ยังไม่เป็นสัมปัชัญะถ้าเป็นสัมปัชัญะมันจะรู้สึกรู้มีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้พุโทโธหรืออะไรอย่างนี้ ไม่เผอค่ะค่ะจะน้อมนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์โอเคหายเดีเด่อยๆนะค่ะตาขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคุณซันนี่แพนเค้กคุณเทพ็ทกกอธมรการในมรสการค่ะอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบเลย เพียนฝึกปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็วุ่นกับเรื่องทางโลกนิดหน่อยเรื่องงานนะคะก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ก็ทําทุกวันค่ะอาจารย์เดีหากคาตอบด้วยเดีสวัสดีงันไปที่คุณตายต่อคุณตายคุณตายก็ยุ่งก่บร้านใหม่ขายร้านใหม่ร้านใหม่ก็ขายดีวันเมื่วันค่ะอาจารย์ ขายดีหนึ่งวันแล้วก็เบาหนึ่งวันแล้วก็ขายดีหนึ่งวันอะไรมันกําลังเริ่มของมันยังไม่ครบค่ะพอาจารย์เอ่อถ้าคนยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวต่อไปคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าของมันไม่ครบอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเขาจะเอาแบบของใหามันแบบครบครบชุดไปเลยจะได้ว่าจะไปซื้อที่หลาก<ค>ที่โ ย, ยมก็ขายไปก็หุห่หหิดไปเพราะของมันเคยมีอยู่ร้านเก่าแล้วก็ไปร้านใหม่มัน มันเยอะอะค่ะพระอาจารย์เคื่องไฟเครื่องไฟฟ้า ก, ก็ต้องใช้เวลาสตาร์ทออนะใช่ค่ะตแต่ก็ต้องทําใจแะคะ่ะพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เราก็พยายามทําให้มันครบครบอะไรนะคะตอนแรกก็งุนหงิดตอ้องอหลายๆวันเข้าก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะก็สู้กับใจตัวเองเนี่แหละคะ่ะพระอาจารย์ไม่ให้ท้อตามมีตามเกิดทำให้ดีทีเสร็จแล้วกันใช่ค่ะก็ยอมที่จริง เข้ามาห้องนี้ก็ AI รู้สึกว่าทุกคนถ้าไม่พัฒนาเขาก็ยังอยู่กับที่แต่ยมรู้สึกว่าถอยหลังยงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถอยหลังแต่ก็ยังคิดว่ามไม่เป็นไรนะถ้าใจเราซื่อเดี๋ยวก็เราก็ไปต่อได้คําอาจารย์ไม่รู้อย่างน้อยเข้ามาก็สแสดงว่ายังสนใจปฏิบัติอยู่นะคะอ า, าจารย์ก็ เอาว่าทําคําำสอนของพระอาจารย์นั่าแหลค่ะมาใช้ในชีวิตใช้ในหลักของการค้าการขายหรือว่าการดํารงชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเข้าจากรพระอาจารย์การาบพระคุทมากค่ะสาธุทวดาอ่าใบได้คุณสารการใช่นา่าอ่ามาปังธรรมค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่บ้างอ่า โอเคไปที่ขนอ่อนอานงใชิคุณอานงพอทำหมอมาสการก็ให้ารวันกรุงเทพค่ะไม่ได้เดินทางอันนี้ยุดยุติกิจกรรมต่างๆแล้วเลยก็ก็ไม่เชิงครัว่าจารพอดีวันนี้จะอยู่กรุงเทพมาได้สิบวันก็เลยก็เลยสิบกว่าวันก็เลยยังไม่ได้พวกนี้เดินทางใหม่ครับอาจารารกินยังเยอะอยู่นะ ก, ก็ก็จริงๆไปแต่วัดนะคะาอาจารย์เพราะว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็พอดีตามหลวงพ่ออินไปอินโดนีเซียมาก็ประทับใจชาวพุทธในอินโดเหมือนกันค่ะอาจารย์ส่วน อ, อะแต่เขาก็จะได้ทานส่วนใหญ่หน่าเห็นใจคําสอนก็อาจจะแบบยังยังยากในการทาความเข้าใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ห่วงครูบาอาจารย์มากจนน่ากลัว เพราะเขาไม่มีนะคะแต่ว่าก็ ก, ก, ก็ที่แปลกใจมีก็จะมีมุสลิมบางคนมาสวดมนต์ด้วยค่ะพระเจ้า แ, แ, ออแล้วก็แต่ก็เออเราก็เลยก็เลยมีความประทับใจว่าอ๋อในเมืองประเทศที่ตอนแรกเราคิดว่าโอ้เขาเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นอิสลามก็มีชาวพุทธที่มีความศรัทธาแล้วพวกนี้รู้จักครูบาอาจารย์มากกว่โยมอยีกนะคะทุกปีเขาบอกเขาจะมากราบปีละสาม สามครั้งแล้วไปสายอีสานสายสายสายลงตามหาบัวอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าโอ้อยรู้จักพระมากกว่า อ, อีกกนะ็ก็เลยอกเออก็ได้เห็นก็เขาบอกว่าเป็นความประทับใจจริงๆ จ, จ, จะแนะนำให้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์น่าจะดีเพราะบางคนพูดภาษาอังกฤษได้สึกว่าเออเขาอุตส่าห์ไปกราบแต่เขาไม่เข้าใจคำสอนเขาก็ยึดยึดยึดแบบ อ sí. t right sí, we, so from, mm. y, t a c h e มาก a t right. kind of t แบบมากอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอด็กแนะนําให้มาสนทนาครับอาานน่าจะดีค่ะอก็ก็เลยเออมีความประทับใจในประเทศลังอย่างนี้ค่ะนะค่ะก็เลยสวนมันเก่งมากค่ะเขาบอกว่าสอนมันเราเนี่ยสอนเก่งไม่ต้องดูหนังสือเลยนะคะอืมก็ดีค่ะก็ก็เลยนั่นแล้วก็พยายามก็ส่วนตัวยงก็พยายามปฏิบัติไปช่วงๆในระหว่างเดินทาง ว่าก็พอกลับท่าที่พักก็จะพยายามภาวนาค่ะพี่สันแต่ไันทิพนะครันแกอยเกัน ก, ก, กนับการเดินทางอืมกินแรงกินแรงนะครับอืมแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ได้ปฏิบัติได้ศึกษาธรรมคือเมื่อรู้สึกเห็นความชัดเจนคือไม่ว่าเรื่องอะไรมากระทบอ่ะมันมันเหมือนแบบเราจะมีสติในการรับมือกับเรื่องที่เราได้ยินหรือ เราเรา่าจะโกรธทุกคนก็บอกเราแน่าจะโกรธแต่ว่าเราเราสามารถแบบไ ม, ไม่ใช่เหตุใช่ผลใไมว่า ไ, ไม่ได้ใช้อารมณ์ค่ะคือมันถ้ามีชาติเต้นมัอารมณ์ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อารมณ์ไม่เกิดจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเออมันก็บ ม, มันก็เห็นอ่ะเราก็จะสามารถแบบเรู้ ร, รู้ใช้เหตุใช่ผลนุ้ยพระอาจารย์ว่าอื ม, อมนะคะก็ก็เลยว่าเออเนี่ยเป็นอันหนึที่เห็นว่าค่อนข้างชัดตั้งแต่แบบเข้ามาศึกษา คำสอนปฏิบัติตามคำแนะนำพระอาจารย์เนี่ยอันเนี้ยก็จะรู้เวลาหรือเวลาเราได้ให้คําแนะนําใครไปเขาเขาไม่ทําตามอะไรเราก็จะเราก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคิดหวังอะ่ะเพระฉะนั้นก็ไมไเสียใจไม่ไม่โกรธเ้าไม่ได้โกรธ เ, เขาค่ะเดี๋ยวเราคำหนึงที่ชอบมากเวลาใครมาปรับทุกเนี่ยทําไมเขาไม่อย่างนั้นี่มองบอกโอ้ยเราจะไปอยากให้กล้วยเป็นแอปเปิ้ลได้ยังไง <laughs> อะไรอะไรบอกบอกว่า นะเขาจะเปลี่ยนกล้วยมันเป็นแอปเปิลมันก็ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเขาอาจารย์เคยสอนเหมือนอันนี้เขาจะเห็นภาพนะก็เออเออเนี่ค่ะโอ้โหหายใจทำให้เราแบบไม่ไม่ไม่เกิดอารมณ์เซนซิทีฟอะไรไปแบบกับกับสิ่งที่แบเอเหล่านั้นเพราะว่าเราเราเข้าใจในความแตกต่างนั้วกันเราไม่ได้แบบว่าเอาไม่ได้เอาตัวเองเป็นแกนคํานี้ก็แบบสําคัญตะก่อนเนี่ยยงก็ทํางานจะชอบคิดว่าเออทำไมเขาไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้คือเราเอาตัวเราอ่ะ พอเราเอาตัวเราเป็นแกนเนี่ยเราก็จะคิดว่าอย่างที่พระอาจารย์สามามอนเราจะเปลี่ยนทุกคนมาให้เหมือนแบบเป็นแอปเปิลหมดเลยอ่าเหมือนเราหมดเลยแล้วเราก็รูดกว่าทําไมไม่ทําล่ะแอปเปิลเนี่ยออกจะดีนะเอ อ, อพอเราเห็นในความเป็นจริงว่าเออมันไม่ใช่มันก็มันจะไม่เ ข, า, ขาทำไม่ได้ถึงแม้จะดีเขาข่าทําไม่ได้ก็จะไม่มี expectation ไม่มีความผิดหวงังไม่มีสิ่ ง, งจริ ง, งจั ง, งให้ยินดีตามมีตามเกิดอื ม, มแล้วยิ่งพอแบบ คิดว่าทุกอย่างจริงมันก็เป็นแบบอันนี้จังทุกขังอนตานแบบใช้ไตรักมาพิจารณามันก็จะยิ่งแบบได้จริงๆแล้วสัพเพธรรมานาตาทำทั้งหวงไม่มีตัวตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปนล่วจๆๆังก็เห็นจริงอ่ะแล้วยิ่งพอเรางู้ดเวลาเราจะโกรธจริงๆอันนี้ก็เป็นธรรมที่เอามาใช้อยู่บ่อยคือพอเราคิดว่าจริงๆทุกคนก็เป็นธาตุอ่ะ มันก็คือเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนถ้าถ้าสีเดินนั่งลอยถ้ารู้ผู้ใจมันก็ทาไม่ได้แบบมันไม่มีเขาไม่มีไม่มีฉันไม่มีเธอมันไม่ได้แต่ิมันก็ทำเหมือนกันหมดเลยจริงๆแล้วมันคือสิ่งนี้ใช่พี่ตากิเลว่าหลอกให้เรายยกแยะว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันไปขึ้นมาเล้เขาฉันอะไรอย่างนี้ยทั้ง้ก็ดีค่ะธรรทำให้จริงๆสภาพจิตดีนะอาจารว่า ออยู่ใกล้ธรรมะแล้วใจใจจะเย็นใจจะสบายออช่ยิ้มได้ง่ายคะ่ะพระสังน์คงบอกว่า อ, อยากยิ้มได้ง่ายก็นั่นแหละธรรมะนี่แหละทําให้ยิ้มได้ง่ายานี่น้าโอเคมีอะไรไหมมีค่ะพร ะ, พระรสังค์เจะรักษาทัดนค่ะโยมก็จะภาวนาอย่างสม่ําเสมอคะะอ่ะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมากคะ่ะจุดยอดของธรรมก็คือการภาวนา พระอาจารย์พรอาจารย์รักษาธาตุขันธ์ค่ะสาธุคุณ น, น้องรักเชิญอยู่ที่ไหนเอยเพิ่งเข้ามาครัง้งแรกก็เปล่นานี้่รับราชการพระอาจารย์ค่ะเข้ามาสองครั้งเมื่อปีที่แล้วเจ้าค่ ะ, ะวั น, นจะมากราาลพระอาจารย์จะไปบวชทีแล้วจะไปวันเสาร์วันนี้ไปบวชที่ไหนเนี่ย ว่าแสงธรรมบาังน้ำเขียวค่ะหลวงพ่อโซภาสมโนค่ะก็เป็นเป็นเป็นคอที่จุฬาจัดเอ่อปีรอยี่สิแปดวันและถ้าเกินร้อยยี่สิแปดวันเนี่ยท่านจะอนุญาตให้เราอยู่วัดได้ตลอดไปค่ะที่ไปบวชครั้งนี้ก็ต้องกล่าเรียนว่าได้ธรรมะแล้วก็ได้คำชี้แนะจากพระอาจารย์เพราะว่ามาเริ่มปฏิบัติจริงเนี่ยก็คือ หลังเกษียณก็คือกันยาแล้วก็ฟังฟังพระอาจารย์เนี่ยจาก facebook แล้วก็ตามมาฟังในวันอาทิตย์ของหมอวิญญแล้วก็เอาฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆในในในส่วนของเอ่อที่ใช้เข้ามาเสริมก็คือแล้วก็เป็นหลักก็คือได้ฟังหลวงตามหาบัวแล้วก็อา่าของพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นหลักเลยก็คิดว่าเอา่อตกตกผลึกได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็เลยตัดสินใจที่จะไปบวชค่ะประกาบลาพระอาจารย์เพราะว่าเอช่วงที่ไปอยู่เนี่ยจะไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยค่ะอืค่ะดีมากโทรศัพท์เนี่ยหลตาบอกมันเป็นเหมือนเป็นเทวทัศน์เป็นค่ะเป็นเป็นเทวทัศน์ก็ก็เป็นอย่างนั้นก็คือจะไม่จะไม่จะจะใช้ได้เดือนละครั้งก็คือใช้ได้เฉพาะเออ่วันสิ้นเดือนซึ่งต้องทํากิจธุระ แล้วก็ไม่ให้ใช้แล้วก็ในหลักสูตรที่ทั้งหนูได้อ่านเนี่ยจะเป็นอ่าหลักสูตรที่ปฏิบัติเนี่ยโดยนํามาจากวัดป่าบ้านตาแล้วในการที่สอนทำน้ำเนี่ยก็จะใช้ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ฟังวิทยุธรรมของหลวงตามหาบัวแล้วก็ทุกบัรพะเนี่ยพระอาจารย์โสภาเนี่ยจะลงเทศเทศเองทุกบรรพะแล้วก็ ในวันพระก็จะไม่นอนจะต้องปฏิบัติถึงเช้าะะ่็ค่ะแต่แต่ที่หนูเสียายก็คือว่าสี่เดือนนี้เนี่ยหนูไม่จะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แต่หนูก็มีหนังสือของพระอาจารย์อยู่แล้วก็ลงตามมหาวที่ลนูคอมาได้นะคะก็ตัวนั้นกันอ่ค่ะหนงสือของนองตาดีที่สุดจบค่ะ ก็ได้ฟังจากหลวงตานี่ก็คือดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้ฟังเทปซึ่งฟังทุกวันเลยที่หลวงตาจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่การเจริญสติการเข้าสมาธิแล้วก็ไปวิปัสสนาไปถึงขั้นไหนทํำยังไงยังไงท่านเทปันนั้นได้ไดฟังทุกวันแล้วก็ได้ปฏิบัติก็มีภาคที่ชัดเจนขึ้นดูก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยที่ชี้แนะ ทรางทำให้กับหนูจนหนูได้ตัดสินใจที่ไปบวชชีครั้งนี้ค่ะขอสาธุอนุมโมทนาคุณพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีทาศันแข็งแรง อ, อาจจะช่วยอาจจะช่วยคนนึ่งที่เข้ามาลังเลอาจจะมีกำลังใจอยาก จ, จะไปบวช<อ>บ้างกใช่ค่ะหนูคิดว่าเป็นเรื่อ ง, เ ป, เ, องเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วที่สําคัญคือเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์โดยตรงแล้วก็ น่าจะเป็นเรื่องที่กล่อมกล่าวจิตใจเอาให้ไปสู่จุดที่เราต้องการนะครัเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสของชีวิตเราอะไรก็ได้ว่าคือการบวชเนี่ยค่ะก็ขอให้พระอาจารย์มีท่าแข็งที่แข็งแรงนะคะถ้าหนูมีโอกาสอ่มีโอกาสดูจะกลับไปกราบนักเวสการกราบพระอาจารย์ที่วัดเจ้าขาหนไูไม่ต้องกังวลการด้วยการปฏิบัติบูชาก็พอแล้ว ค่ะพระอาจารย์ขอให้ได้มากได้ผลนี<บ>่ก็พอแล้วใช่เพราหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมถ้าอยู่ตรงนั้นก็คือดูอ ก, ก็ปฏิบัติอ ะ, ะคะาอาจารย์ปฏิบัติไหมเพราะกิเลมันชอบเราให้เราออกข้างนอกนี่ไปกราบบุษอาจารย์นงนั้นไปกราบอาจารย์รงนี้เนี่ยมันโดนกิเลสเราปกปิดการพระอาจารย์รงไหนสมัยที่อยู่กับหลวงตาเนี่ยท่านไม่พาไปกราบไปทําวัดกับครูบาอาจารย์รุ่มไหนเลยค่ะ อยู่กับท่านาาแล้วก็ทำวัดกับท่านก็พอแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะ่ะกลับขอพระคุณอีกครั้งนึนค ง, ง, งค่ะขอพระแก่แข็งแข็งแข็งแรงค่ะสาธุขอให้สำเร็จนะตามที่ปรารถน า, าโอเคคุณยินดีกับคุณเดวิด <Bonjour. S 1> บงจ bon ูกัมังดาบงวูบองสอนเตบองสันเตอ่ะคุณอาจัน สบายดีสบายครับยังไม่ได้วีซ่าเลยได้หลังวีซ่าจะมีเอกสา <insights> well. <c oughs> <Start filming> รยืนที่ยังไม่มาครับอะไรยังไม่มายังไม่ครบเลยยังไม่ครบใช่ครับยังไม่ครบรอเอกสารนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าทางปกติเอกสารเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเอกสารสําหรับเขาเข้าเมืองเข้าเมืองค่ะ ซึ S <S ่งมันจะต้องมาพร้อมกับพาสปอร์ตะคะแล้วตอนนี้เขาได้แต่พาสปอร์ตแต่เอกสารตัวนี้เขายังไม่มาก็เลยไม่ทราวบบ้างมันเกิดอะไรขึ้นแต่เดวิเขาก็ติดต่อคอนแทคเรียบร้อยแล้วค่ะท่าอจารพร้อมตัวนี้ <S <S 2> <S 2> แต่ก็ยังดีค่ะโชคดีค่ะที่ยังมีเวลา เ, เหลือเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องไปทำงานอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะที่แรมองะคะ่ะท่านอาจารย ก็เลยมีเวลาถึงสิ้นเดือนใช่ครับอืมนีค่ะไม่มีอะไรพอได้วีซ่าแล้วสิ้นเดือนก็เดินทางกลับมาอเมริกาต่อทางานต่อสิ้นเดือนหรือวันที่อะไรวันที่สวันที่สี่ต้นต้นเดือนน่ะวันชาติวันชาติอเมริกาพอดีพอจุา ผมก็ตังใจก็่ยวกันวันที่14สิใช่ค่ะคาที่จ่ายแต่ still เได้ใช่ไหมเขเรียกบ u t still อะอรเียนเรเรียนประวัติศาสตร์มาเยอะอาจเก่งมานุยค่ะอืมครับโอเคมีอะไรั้มเดวิดอะไรครับำบค่บนสังเตรารณ์เยีนยดีที่ได้เห็นนะแต่ ก็ S <S ตอนนี้ก็ขอให้วีแลกทําใจให้สบายนะออย่าเครียดจากงานมากเกินไปเ ข, ขา้าใจกดดันเนี่ยทําตามหน้าที่ก็แล้วกันทําตามหน้าที่ค่ะก็หนูก็บอกเขาเสมอค่ะว่าให้ทําตามหน้าที่ก็ทําตามหน้าที่ไปจนกว่าว่าคือเมื่อเช้ า, ชาก็คุยกับแม่ว่าเอ่อถ้าถ้าถ้าหยุดงานได้มันก็คงหยุดแต่ปัญญ์ปัญหาก็คือซิสเส้นมันมันมันไม่ใช่ค่ะ ท่านอาจารย์แล้วเราแบบเราเดินหน้ามาเยอะแล้วดังนั้นมันก็เลยยิ่งเนอะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปถึงหรือไม่ถึงนะคะถ้าอาจารย์แต่ระบบมันก็ต้องจนกระทั่งก็ทําไปเรื่อยจนกว่ามันจะหยุดตามหน้าที่ขอาอาจารย์ก็ขอให้ถึงเกษียณแต่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าชีวิตจะไปถึงเกษียณหรือไม่ก็คุยกันยู่ค่ะก็ไม่ทราบไปถึงแต่ก็ยินดีตามมีตามเกิดไงชื่อเราก็ยินดีแล้วแติมเข้ตามมีตามเกิด ใช่คตะทาอาจารย์ก็ชีวิตก็ไม่แน่ไม่นอนก็ได้เมือม่อเมื่อที่นี้ก็ได้ยินได้ได้ข่าวที่ไม่ดีจากน้องที่ทําบุญกั น, นะคะ่ะท้าอาจารย์ที่เขามีน้องคนหนึงที่มาวัดนี่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็เลยมีความรู้สึกแบบใจหายเหมือนกันคะ่ะท่าอาจารย์ก็สงสารหลานเหมือนกัน<ม>ค่ะอือายุก็ยังไม่มากสี่หนะ้าสิบแค่ะอจารใช่ค่ะแล้วน้องเขาก็น่ารักเพื่อน้องเขาเป็น<ม> มาวัดเกือบทุกวันเลยนะเป็นประจำใช่ค่ะก็่เขาไ็สบายล่ะจิตใจเขาสงบเขาเย็นตลอดเวลาอดีใจตรงนี้ค่ะที่ที่น้องก็รู้จักปฏิบัติก็ยังคุยกันทั้งสองคนนะคะแม่จ้าเพราะว่าด็ี่เขาก็รู้จักน้องอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้โอเค o u อู่เอเบนซตอัั้นโอเค thank you next อ่าท่านตอบไปคุณเอกจากเชียงรายน้งกลนวมสการพระอาจารย์ครับผมยังไงยังในสัตว์เชิก็บ่าวันพระอ๋อยังยังไม่ได้เรื่องครับพระอาจารย์ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมกับอาจารย์ดิฉักันไม่ไหวแล้วก็ ยังได้อยู่ครับอาจารย์ครับยังที่ว่ได้อยู่ครับแต่ก็เป็นบัตรทุกวันนะครับพระอาจารย์ตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าอะครับอาจารย์ครับมีทีอยู่เช้าหนึ่งครับพระอาจารย์ก็บางบางเ้านั่งบอกว่ามันวันนี้ตั้งใจจะอยู่กับแบบจะอยู่กับเวทนาบางทีมันมันเบาไปถึงเวลามันก็ออกมามันมันไม่เจ็บอะครับพระอาจารย์ต้องรอเป็นบางบางวันนะครับแต่แต่ก็มีที่มันบางวันก็นั่งก็อยู่แบบเวทนาได้ครับพระอาจารย์มันก็ ไม่ไปทุกแจใจกับมันแล้วพระจัมนั่งไปดูไปครับพรจัมวันนั้นสติดีมันก็จะไม่เกิดมันจะสงบก่อนคระวันนั้นสติไม่ดีมันจะเกิดก่อนครับตเมืางทีนั่งไปเอ้าถึงเวลาที่ได้ออกละชั่วโมงกว่าเนี้ยพระจัมมันไม่เจ็บเลยก็วันนี้ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรก็มาชั่งมันอย่างเงี้ยครับพระจัมครับเป็นเป็นอย่างนี้ครับพระจย์เอา มันก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ทำให้มันเจ็บมันทำให้มันเจ็บมันก็ไม่เจ็บทำให้มันหายมันก็ไม่หายเวลามันเจ็บพยายห้มันหายก็ไม่หายครับกเราอยู่กับมันไปตามตามตามความเป็นจริงเจ็บก็เจ็บไม่เจ็บก็ไม่เจ็บครับผมครับผมก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับ ยาดีครับผมก็เหมือนกับพระอาจารย์เทศไว้ตอนบ่ายเนี่ยครับที่ว่าชาตินี้มันเสร็นชาติที่พิเศษสุดแล้วครับจะมีชาติไหนจะเหมือนชาตินี้แล้วที่ได้เจอพูดว่าทำพระสงฆ์นะครับอครับผมก็ไปบัตรบูชาเต็มที่ครับอาจารย์ก็หวังสุดพ้นเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเลอครับขอขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับผมไปดูคุณเณรต่อแุณเณรตอนี้ยอสเตเลยอยู่เลย รบบมมัสการเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะลุงพ่ออยู่อีกนานเลยค่ะสองเดือนเลยส อ, สองเดือนเจ้าค่ะสองเดือนะค่ะรอบวันนี้ก็สองอาทิตย์แล้วค่ะออาทิตย์ค่ะเป็นไงดีไหมไม่ต้องทาํางานในเวลาปฎิบัตมันก็แปลกๆดีนะคะแต่รู้สึกมันแบบเหมือนกับยังไม่ชินแต่ว่าการมันก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องมีตื่นมาแล้วไม่ต้องกังวลว่าต้องทํางานนะคะก็ <laughs> สบาย สบายดีเจ้าค่ะรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ต้องทํางานนี่เราเราเหมือนตัดตัดความกังวลทางโลกไปได้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยอะเจ้าค่ะอื mm hmm. มีไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลแบบว่าให้ให้วุ่นวายใจว่าวันนี้ต้องตืง่นเดี๋ยวต้องไปทํางานต้องไปเจอคนนั่นคนนี้ต้องทําอะไรบ้างกลับมาจะมีเวลาเหลือเท่าไหรนะ่อะไรเงี้ยค่ะมันมันเหมือนว่างมากอ่ะค่ะ แต่ว่าก็ก็เลยเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็เลยได้นั่งสมาธิทุกเอ่อทุกวันค่ะมีน่าจะมีแค่แค่สองวันที่ไม่ได้นั่งอะเจ้าค่ะถ้าถ้าตอนทำงานนี่เอ่อแทบจะไม่ได้นั่งเลยอาจจะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งได้สักของสองสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาที่นี่ได้นั่งทุกวันเลยมีแค่สองวันที่ ท, ที่มีธุระยุ่งแล้วก็ไม่ได้นั่งค่ะก็เหมือนได้ปฏิบัติเยอะขึ้นค่ะหลวงพ่อ อได้นั่งอย่างน้อยก็วันละครึ่งชั่วโมงถ้าวันไหนดีๆหน่อยนั่งได้ก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยค่ะอแต่ก็ยังยังยังเขาเรียกอะไรนะยังลุ่มๆุ่มโดนโดนค่ะได้สติเอได้สมาธิบ้างไม่ได้บ้างมันเหมือนมันเหมือนแบบบางทีนั่งแล้วเหมือนมันตันๆนะคะหลวงพ่อเหมือนกับนั่งไปนั่งต่อไปเรื่อยๆฝืนนั่งต่อไปเรื่ยมันก็เหมือนกับมันมันอยู่แค่ตรงนั้นนะคะหนูก็บางทีก็งงตัวเองเหมือนกันช่วงนี้ เหมือนกับเหมือนคนสมองไม่แร่นนะคะเหมือนกับนั่งนั่งแล้วมันไม่เข้าไปในสมาธิได้สักทีอะคะ่ะแล้วแล้วต้องมีอะไรคอยขูดใจไว้อย่านั่งเฉ<ะ>ยๆล<ะ>องดูลมไปเรื่อยๆหรือว่าอย่างพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดค่ะมีมีแค่วันเดียวเองมั้งคะที่หนูนั่งได้ไปชั่วโมงกว่าแล้วรู้สึกว่าพุทโธกับลมหายใจมันมันเป็นหนึ่งมันคมันมั น, ม, นมันเหมือนกับ มันได้อยู่ในพได้อยู่ในพุทโธกับในในลมหายใจจริงๆอะค่ะแต่ก็เข้าไปได้แป๊บเดียวแต่รู้สึกว่าเนี่แหละมันต้องนั่งให้ได้อย่างงี้แต่คือมันมันยากมากเลยค่ะถึงต่อให้นั่งได้นานแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ทุกครั้งนะคะบางวันมันเหมือนกับมันได้เวลาแต่ไม่ได้คุณภาพใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยพยายามหาพยายามหาคําตอบให้ตัวเองว่าก็ลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้าวันไหน นั่งแล้วได้ก็จะลองลองใช้วิธีเดิมแต่ก็ไม่ก็ถึงต่อให้วันอีกวันหนึ่งมันลองใช้วิธีเดิมมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะค่ะเพราสติเรายัางไมไม่ไม่เสถียรค่ะบางวันเราก็เผลอมากกว่าค่ะแต่สังเกตดูถ้าวันไหนที่นั่งไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเอาเอาเอาสติไป ไปไม่มีสติอะคะ่ะเอาเอาเอ า, เอาความคิดไปอยู่กับทางโลกเยอะ mm hmm. พูดเยอะพูดเยอะกินเยอะแล้วก็เลยไม่มีสติของเราพอมานั่งก็มันก็เลยยิ่งแต่มีอยู่แต่หนูมาสังเกตอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ช่วงนี้หนูหนูบอกหลวงพ่อหนูจะลองทานหนึ่งมื้ออาทิตย์ละวันใช่ไหมคะ mm hmm. สองวันที่ทําเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นั่งได้เลยนะคะกลายเป็นว่านั่งไม่ได้เลยเพราะว่าสติมันไม่มีมันมันมันคิดถึงแต่เรื่องกิน Hmm. ถึงต่อให้ไม่ได้ไม่ได้กินนะคะถึงต่อให้ให้ฝืนตัวเองได้ไม่กินอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่สมองมันคิดถึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกพรุ่งนี้เราจะไปกินอันนั้นอันนี้เงี้ย hmm. มันเลยกลายเป็นว่าพอมานั่งสมาธิค่ะวันนั้นคือเหมือนกับเป็นวันที่เรามีสติน้อยที่สุดนั่งไม่ได้ <laughs> นั่งแล้วก็คือได้แค่ยี่สิบนาทีก็ต้องออกเขารู้ว่านั่งต่อไปก็ก็ไม่มีประโยชน์ คือเหมือนเหมือนสมองทั้งวันมันคิดถึงแต่ว่าจะกินอะไรเราต้องโมัแต่ไปกังวลนะเราใช้เราต้อใช้ปัญญามาแก้่ตามพิจารณาความเป็นปฏิกรลของอาหารมันน่ากินตอนที่อยู่ในจานเนั่นแหละพอมันเข้าไปในปากเราเนี่ยนึกถึงภาคของมันแล้วมันก็จะไม่หิวแล้วไม่อยากกินแล้วมันอยู่ในลําไส้ในท้องเวลามันถ่ายออกมามันก็เป็นอาหารที่เราอยากที่เราที่เราหอยหัวหามันเนี่ย พอมันออกมาจากร่างกายแล้วแล้วมันก็กลายเป็นของที่น่าเกลียดน่าชังค่ะต้องคิดถึงต้องคิดถึงอาหารเหล่านี้บ้างถ้าต้องการจะสกัดกั้นความหิวความอยากเวลาที่เราต้องอดอาหารหรือกินอาหารน้อยเนี่ยค่ะยังจะทำให้สําเร็จค่อยู่ที่บ้านพี่สาวนี่คือเดินผ่านครัวทั้งวันเลยค่ะมันของกินมันเยอะไปหมดเนี่ยใช่ครับมันเป็นความสุขของผู้คองเลยอย่างน้กินเนี่ย หนูก็แบบเนี่ยรู้เลยว่าว่าแบบความอยากเนี่ยมันทํามันเป็นกิเลสตัวหลักเลยทําให้สติสติร่องรอยไปไหนต่อไหนทั้งวันเลยพอมานั่งเหมือ น, นที่หลวงพ่อบอกพอเราไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้ไม่ได้อยู่กับพุทโธอะคะ่ะพอมานั่งสมาธิแล้วมันมันไม่ได้เลยจริงเป็นตรงแต่งไว้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันมันบวกกับว่าปรุงแต่งมาทั้งวันนะคะพอพอถึงเวลามานั่งสมาธิแล้วมันก็เลยก็เลยเหมือนกับ ไม่ไม่ได้ผลนะคะใ่ตีแต่กเือมิ้เนเดี๋ยวเดี๋ยันเดี๋ยวเด๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าวันที่ไม่กินที่กินมื้อเดียวเดี๋ยวจะลองต้องพยายามไม่คิดไม่คิดถึงอาหารด้วย <S <S ถึงต่อให้ไม่กินแต่ว่าคิดถึงมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ช่วยในการนั่งสมาธิอะคะ่ะถ้าคิดถึงอาหารก็คิดถึงเส้นทางของมัน จากจานจากจานไปสู่ปากไปสู่ลําไส้ไปสู่ท้องไปสู่อืชอบลืมอพอเห็นแล้วก็ลืมนึกถึงต้องพยายามอย่าไปนึกถอาหารอยู่ในจานเห็นนึกถึงอาหารในจานน้ําลายมันจะไหลค่ะค่ะได้กินด้วยค่ะพอเราวันไหนเราไม่กินแต่ว่าพี่สาวกับพี่เคยก็ยังต้องทานนะคะเขาก็ทําไก่เจียวหมูสับทํานู่นนี่มันก็กินโอ้ขนาดแค่ไข่เจียวหมูสับยังหิวเลยค่ะ อของธรรมดาข้าวเบาๆก็ยังอร่อยใช่ไหมได้แบบว่าเมื่อวานหนูได้กิ่นข้าวสวยใช่ไหมคะแต่หนูหนูพิจารณาการได้กินหนูก็เป็นป๊อปคอนแบบว่ามันตั้งมันหิวอค่ะมันอยากกินความอยากมันกินตนาการอะไรน่ากินทั้งนั้นทำตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะก็ก็สองอาทิตย์นี้ถือว่าหนูว่าถ้าได้อยู่จนถึงครบสองเดือนก็ ก็น <sh> <author: g inici anto> ่าจะดีค่ะได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเริ่มชินกับการที่ได้นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เหมือนกับมันมีโอกาสเยอะค่ะพอสองวันที่ผ่านมาก็จากที่นั่งแค่แค่เฉพาะช่วงก่อนนอนใช่ไหมคะหนูก็ก็ระหว่างวันที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปไหนกับพี่สาวก็แวะวิปีกวิเวกมานั่งนั่งสมาธิอ่ะค่ะเข้าออกไปฟังธรรมะอ้อไปเนี้ยค่ะก็หวังว่ามันจะช่วยให้พัฒนา ใอ่แล<ะ>ยิ่งนังมากมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆวิธีการกะทํายิ่งทำมากผลมันก็จะปรากฏขึ้นมามากค่ะตอนนี้ก็เหมือนลองผิดลองถูกอ่ะค่ะหลวงพ่อคือว่า<ะ>ว่าเราทํำตัวไหนพุทโทยังไงต้องยังไงหรือว่าจะดูลมหายใจยังไงมันถึงจะได้ผลนะคะมันเพราะว่าว<ะ>ันแต่ละวันนี่เหมือนกันเลยจริงๆเจ้าค่ะอืมค่ะดีถ้าลองไปเรื่อยๆไม่เป็นไร วเวลาปฏิบัติ ใ, ใหม่ๆก็ต้องมีการลองผิดลองถูกบ้างค่ะได้เจา้าค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยเจ้าค่ะจะพยายามปฏัติต่อไปห<า>ให้ได้ค่ะสธุค่ะอ่าบ๊ายดีคุณนิสาต่อนี่ก็อีกสียงอีกสียงนงงโลกอยู่ LA เอค่ะกลับนมรส ก, การพระอาจารย์ <หา S 1> ก็สำหรับลูกก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถอยหลังนิดหน่อยค่ะจะ ก็มันมีเหตุปัจจัยค่ะพระอาจารย์คือวันนี้ที่บ้านลูกเขาคือที่บ้านนี้เอาลิสต์ไปละละแล้วค่ะเขาทำโอเพ่นเฮาส์สครับพระอาจารย์อืลูกก็เลยแบบไปอยู่กับคุณน้าค่ะที่ซานดิเอโกค่ะพระอาจารย์อืช่วงนี้ก็เลยแบบจะแบบเปลี่ยนที่อยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะไม่สะดวกต่อการปาิบัตินะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องปรับตัวค่ะพระอาจารย์ พอไปอยู่ป้าน้าก็แนะบบนิดนึงนะคะพระอาจารย์ <g ül> ก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางะคะ่ะพระอาจารย์อืมก็พยายามค่ะแต่เช้าตอนเช้าคง ก, ก็ได้อะค่ะแต่ว่ามันเราอาจจะกังวลอะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะพระอาจารย์เลยนั่งไม่ได้นานค่ะพระอาจารย์อืมก็ทำเท่าที่เราทําได้มแล้วกันค่ะช่วงนี้ก็แบบ ย้ายเป็นู่นเป็นนี่ค่ะอ า, าร์จานเพราะว่าตอนโอ <Open House, S 1> เพนเฮาสก็คือเราคงไม่อยูเ่เขาไม่ให้เราอยู่ที่บ้านนะคะพาร์จานใช่ร้อยกว่าคนเลยก็เข้ามาดูค่ะพ า, าราจานสองสองบีนะคะอาร์จานก็ไปอยู่ปนางซานเดร ก, ก็ไกลเหมือนกันค่ะพาร์อืนขับรถสองชั่วโมงครึ่งนะคะอาจารย์อือกว่าเนระ้อยกว่าไม่อะไรนะคะระยะทางประมาณร้อยกว่าไม่ ค่ะพระอาจารย์แต่ไกลไกลออกไปอีกค่ะพระอาจารย์เพราะว่าน้าอยู่โคลออไปสายสายห้าค่ะพระอาจารย์ไปซานดิเอโกแต่ว่าของน้าที่เขาอยู่ติดโคลอมเบียเม็กซิโกเลยค่ะพระอาจารย์ถีวาน้าเลยค่ะเป็นชื่อเมืองเดสแคนโซค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกน้องเขาลูกลูกคุณน้าเขาเป็นบอร์เดอร์พาร์ทโซค่ะอาจารย์ ตอนนี้งานดันตอนนี้งานดันวันดูเป็นตัวเนี่ยเขาค้นงานหนักนานแล้วตลอดเลยค่ะว่าอาจารย์ค่ะป้าน้ําย้ายไปอยู่กับลูกกับน้องเขาก็เลยแบบไปอยู่กับลูกห่างไกลอะค่ะว่าอาจารย์แต่ก่อนน้าเขาก็อยู่นอตฮอลลีวูดอะค่ะว่าอาจารย์อืมแต่ว่าตอนนี้คือจริงๆเขาก็อยากเขาก็มีบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนอตฮอลลีวูดแต่ว่า บ้านเขาให้คนเช่าไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์แลเออไม่มีจะบ้านจะอยู่ก็เลยต้องไปอยู่บ้านเขาต้องปรับตัวค่ะพรอาจารย์นี่ก็ทําเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันเกิดช่วงนี้คงบอกคงมันมันมันมีเหตุปัจจัยเยอะค่ะพรอาจารย์ต้องปรับตัวค่ะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนเราว่าต่อไปเราต้อง พยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เวลาที่นํามีเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เาจจะไม่มีเวลาค่ะพระอาจารย์แต่ก็ทําให้ให้แบบว่ารู้สัจธรรมอะค่ะพระอาจารย์แล้วสุดท้ายมันก็ความว่ามีนี่คือมันมีแต่ความทุกข์ค่ะพระอาจารย์มีคือค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่แบบช่วงนี้ขายบ้านนี่รู้เลยว่ามันมันเหมือนมันมีภาระค่ะอาจารย์ สุดท้ายก็คือมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแค่แบบเหลือของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะคือไม่อยากมีอะไรเลยรู้สึกแบบการย้ายย้ายทรัพย์สินย้ายของให้มันมันเหนื่อยมากค่ะอาจารย์ใช่โอเคค่ะอาจารย์ก็ยังพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดอะค่ะอาจารย์ก็จะพยายามทดแทนเวลาค่ะอาจารย์เอาใจ<ๆ>เดียเดียว รักษาใจดวงเดีย ว, ย, วยังอื่นรักษาไม่ได้ค่ะ<ข>อาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตขันแข็งแรงนะคะา ส, าสาธุคุณลูกตาลากับคุณแม่ชนบุรีให้ง่างแม่ลูกนามาสัส ก, การค ร, าารับอาจารย์วันนี้สองคนแม่ลูกก็เก็บของบริจาค ก, กันคะ่ะยก <รอ S 2> ยสะบ็ด ค่ะยกสำรวดแขนเลยค่ะพระอาจารย์แบบโลพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในบ้านค่ะแล้วก็ให้ให้ใครนะแม่ให้ให้คนที่เขาเปิดบ้านพักพิงให้หมาจรจัดทิตาพยาค่ะอเขาเอาไปเอาไปขายเพื่อเอาเงินช่วยน้องหมาน้องแมวอีกทีหนึ่งค่ะมีมาร์ด้วยก็คิดถึงคำของพระอาจารย์อะไรที่เราไม่ใช้ก็ให้เขาไปนะคะเก็บไว้ก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยไม่เป็นประโยาไปไม่ได้ หนึ่งคันรถปิคา เ, เต็มๆเลยค่ะเต็มแบบรถรถที่มีข้อข้างๆเต็มแบบล้นขึ้นมาเลยค่ะแพร่แจ้งอันนั้มีไว้ทําไมต้องเยอะแยะ น, นตอนนั้นที่เขาเป็นแพนดิคค่ ะ, ะ เ, คเขาก็ซื้อใหญ่เวลาเช็คเขาก็ซื้อรูู้้วยทีคือตู้เสื้อผ้าทุกตู้มันไม่มีที่เก็บแร้วค่ะแล้วพอพอพอแบบฟังพระอาจารย์เสร็จก็ไปพอดีจากดีกว่า มันเป็นวิธีระบายความทุกข์ของคนที่ไม่ไม่มีธรรมะนะก็รต้อ ง, งซื้อนู่นซื้อนี่นมาตอนนั้นเขายังไม่ได้ฟังพระอาจารย์เลยคะ่ะก็พอให้เข้าไปแล้วเราก็มีความสุขนะคะแล้วก็เรียนข้าวเขอด้วยเลี้ยงข้าวเลียงน้ำเขาะอะค่ะสร้างทานบา ร, รมีสร้างเมตตาบา ร, รมีไปส่วนส่วนตัวหนูก็ปฏิบัติทุกวันค่ะไม่จะง่วงอะไรยังไงก็ปฏิบัติคะ่ะแล้วก็ อก็ อ, อยู่กับพุโทโธค่ะอืมจะเดินจะอะไรก็ไปจยหนูไปเลี้ยงหมาจอนหนก็จะอยู่กับพุโทโธตลอดเวลาเดินก็จะจะจะอยู่กับสติในการเดินยิ้วกับแปรงข้าแต่ก็จะมีสติอยู่กับการเดินนะคะ<ไ>แล้ ก, <ไ>แลก็แล้วก็เวลาภาวนาเวลานั่งภาวนาหนูก็จะพุโทโธก่อนแล้วพอจะสงบจะนิ่งหนูก็ต่อด้วยดูลมหายใจค่ะอืมค่ะดีไหมได้ผลดีไหมได้ผลค่ะอืม แต่ต้องกินน้อยนะคะต้องต้องคอยใช่ค่ะต้องคอยดูต้องคอยดูอาหารเก่าค่ะที่พระอาจารย์บอกค่ะพอทํำชาติที่ผิดก็เลยที่จะดูอาหารเก่าแล้วก็เห็นคนเดินมาก็มองมองเขาทะลุให้เป็นโครงกระดันอย่คางนีมค่ะก็ทุกวันนี้ชีวิตทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขมากค่ะพระอาจารย์ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อก่อนทุกนะคะถ้าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเป็นเมื่อก่อนหนุกมากเลย แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าไม่ไม่มีเงินก็อยู่ได้ค่ะใช่นไม่หิวไม่ห่วยอะไรกินมื้อเดียวก็อยู่ได้นะข้าวพุกน้ำปลากินได้ค่ะมันอยู่ง่ายขึ้นแล้วก็อืนี่แล้วหนูก็หนูก็เพิ่งเสียเพื่อนสนิทไปอีกคนหนึ่งค่ะเป็นคุณครูด้วยกันอืมก็ยิ่งทำให้เห็นศจลธรรมมากขึ้นใช่มันใกลเข้ามาใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ่ะแต่ก็เสียดายนะคะป้าจางก็เป็นเพื่อนที่ร่วมทํางานได้คุณธรรมกันมาตลอด เป็นผู้หญิงเก่งค่ะแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้รู้ถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยอะค่ะเสียดายเพราะว่าช่วงหนักเขาป่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองอะค่ะก็ ใ, ใกล้ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีอย่าประมาทนะรีบทำให้มากที่สุดทันที่จะทำได้ในขณะที่เรายังมีเวลายอยู่อย่างอย่างตอนเย็นเนี่ยห น, นูจะอาอไปเลี้ยงหมาจอแต่ค่ายนวมินนี่ยค่ะหกเจดสิบตัว ออืแต่ว่าทางหน่วยเขาสนับสนุนเรื่องอาหารช่วยนะคะออืแล้วก็ดูดายก็เป็นคนคอยดูแลเรื่องสุขภาพอะค่ะระหว่างที่เราไปเราก็ได้ได้ปฏิบัติทําไปด้วยค่ะออืได้ไม่สบายกั็รักษาให้เข้าไปใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็เราแล้วหนูก็เห็นนะคะว่ามันมันพอเห็นที่เขาหิวโหที่เขากินแล้วก็ลําบากอะมันยิ่งทําให้เรากลัว กลัวว่าตาสงสารนี่มากขึ้นนะคะอืมแม่งก็จะกลับมากลายเป็นหมาเมื่อไหนน <c oughs> อร่นะฮ่าฮ่า่านั่นสิครับก็พระอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่มั่นใช่ไหมคะที่อ่านในประวัติว่าท่านยังเคยเกิดเป็นหมาอือตั้งห้าร้อยชาติแล้วยังพูดกับลูกตาเนี่ยเราจะเหลือไหมเนี่ยอืมค <c oughs> ่ะก็เต็มที่ครับพระอาจารย์เป้าหมายเป้าหมาย ต, ต้องเดินไปให้ถึงที่สุดการภาวนาเนี่เป็นงานหลักของเรานะงานอะไรงานเป็นงานเสริมไป <c oughs> ค่ะเพราะว่า ลูกตาลเขก็ส่งเสริมด้วยค่ะเ ช, ะชะ้าเชถ้นไม่เอาอจากข้องเขาก็ไม่เคยเรียกค่ะอืเรื่องการกินก็แล้วแต่ใครจะใครจะกินอะไรก็จัดการตัวเองค่ะดีกินง่ายอยู่ง่ายเอาเวลา ม, มาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ใช้ตังค์น้อยด้วยค่ะเออดีสาธุจ่ากาารย์ขอบพระคุณอาจารย์คังการกินข้าวอ่าคุณคชายานิตหายไปนาเลยคุณหน่อย ชายานิดหน่อยเนี่ยว่าชยานิชายานิดอย่างเดียวหน่อยนี่เป็นชื่อเล่นใช่ค่ะชื่อเล่นค่ะพาจารย์นับนมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ใช่ชายานิดหน่อยลเลยมันเขียนติดกันคือชื่อจริงชายานิดค่ะชื่อเล่นหน่อยค่ะออแล้วกลัวซ้ําหลายคนตอนนั้นไปกราบพระอาจารย์ที่กุฏิพระอาจารย์ทักว่าใช่ชายานิดยามาดะไหมอะไร่ก็เลยชื่อชยานิดหน่อยค่ะ จำไม่ได้มีคนหลายคนด้วยกันค่ะลูกศิษย์พระอาจารย์เยอะค่ะเข้าใจว่าจำไม่ได้เพราะาเยอะจริงๆค่ะก็ดีก็เลยจ้างเอกลักษณ์ประมาณนี้สักหนึได้จะได้รู้จักจะได้แยกเยะคนละคนกันใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าหายไปนานอย่างที่พระอาจารย์ถักค่ะก็เข้ามาแต่ว่าก็ก็ รุ่ัน ด, ดอนๆเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มีอย่างศีลห้าศีลแปดสลับกันไปอยู่นะใช่เจ้าค่ะก็วันนี้น่าจะได้เจ็ดนะเจ้าค่ะอย่างน้อยอาทิตย์หนึง่งถ้าเป็นวันพระคนจะรักษาศีลแปดทั้งวันนี้มันยังดีนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะพระอาจารย์แบบต้องขอบคุณทุกสิ่งอย่างเหมือนแบบธรรมะจัดสรรมากเลยค่ะพระอาจารย์แบบทุกอย่างเป็นใจให้แบบว่าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่หิวข้าวรู้สึกไม่หิวเลยค่ะ ท, ท<ม>ั้งๆที่ไหนกินแค่แล็บเล็บไก่แล็บเล็บหมูสับของโอ้กระจุอะค่ะแค่ชิ้นเดียววันเนี้ยแล้วก็ไม่หิวเลยค่ะเหมือนกับว่าใจมันสุกอะค่ะใจมันเย็นใจมันอิ่มใช่จ้ะค่ะก็ร่งากงกายก็อาจจะก่อนจากการรักษาสิมไหนว่าใช่จ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้า น, นั้นไหนยก็ใส่บาตแล้วก็ฝาก ฝากร้านข้าวใส่บาทด้วยเหมือนที่พระอาจารย์บอกถ้าเราไม่ถ้าศีลมันไม่ครบอะค่ะมันก็ลักมันก็จะปฏิบัติยากเจ้าค่ะพอแบบ<ม>พอศีนครบปุ๊บเหมือนทําอะไรปุ๊บมันก็จะง่ายมากขึ้นเลยเะ้ค่ะ<ม>พวกแบบเดินปฏิบัติสติสตองสติอะไรอย่างเงี้ยเจค่ะมาอืมพอสติมาอย่างที่น่ยบอกพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะว่าก็จะนึกถึงแต่ความตาย แตพ่พอเอาเข้าจึงตอนตอนป่วยอะเจ้าค่ะกลัวตายนะพระอาจารย์งงงงตัวเองเหมือนกันค่ะจิตไม่หายจิตไม่สงบถ้าจิตสงบเราจะไม่กลัวตายคือตอนเหมือนกับอาหารเป็นพิษอะค่ะแล้วทีเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนเหมือนบ้านมันหมุ น, น่ะสค่ะเหมือนพระเหมือนบ้านมันหมุนได้อะค่ะและ้วทีเนี้ยก็คิดว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแบบเข้าไปห้องน้ําอะค่ะไปอ้วก หายแล้วทีนี้ก็ลืมตัวว่าเอา้าก็ไม่ได้เป็นอะไรทำไมถึงแบบตีตนไปก่อนไข้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมก็หายเลยค่ะก็ <laughs> มันไปหมดเลยตีกันกิเลสนม่แบบว่าหนักเหมือนกันนะคะประจักษ์ใช <c oughs> นะ่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ถึงเวลาจะตายก็ยอมตายใชไม่อยากไม่ทุก ถึงเวลานั้นมันชอบลืมอะค่ะพระชันเนี่ยนก็อยากจะคิดได้ตอนนั้นเหมือนกันนะว่าพอแบบพอมันจวนตัวเข้ามาปุบป่าหะอยากจะคิดได้ว่ายอมตายยอมตายอย่างเงี้ยทำยังไงดีค่ะพระันก็คิดตอนนี้บ่อยๆเต้นตัวต้องตายต้องตายอย่เดิมตตายใช่ค่ะจริงๆยังไงก็หนีไม่พ้นทุกคนต้องตายใช่เจ้าค่ะแต่ว่า ถ้า ต, ตายแบบทุกข์ก็ตายแบบสุขนะตายแบบสุขก็ต้องปล่อยวางร่างกายยอมให้มันตายไปจ้คาค่ะต้องต้องใช้คติว่ายอมตายยอมตายท่องไปเลยใช่ไหมเจ้คาค่ะเอ่ได้นี่จะได้ไม่ลืมเจค่ะก็ต้องมีสติพอมีสติวบยอมตายยอมตายยอมตายตายแบบไหนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอืตายเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้ะะถ้ามันจะตายก็ยอม ยามหยุดเย็นยามแล้วมันหยุดต่อต้านพอหยุด ต, ต่อต้านแล้วใจก็จะเย็นเขาอะเหมือนเขาเนี่ยใจหน่อเหมือนต่อต้านว่าเอ้ยเธอยังไม่แก่นะเธอยังไม่ตาย อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่อต้านยั ง, ยง อ, ยอยู่ต่อใช่ค่ะเนี่ยหน่อยกำลังคิดอยู่ว่าพอมีสติแล้วทําไมยังยังไม่แบบยังไม่ไม่พอเอาเข้าจริงอะทําไมไม่ยอมตายสักทีอะไรอย่างเงี้ยสะค่ะ ยังไม่เจอของจริงเดี๋ยวเจอของจริงแล้วมันจะรู้เองพอเจอเหมือนที่นายบอกภาษารยอะพอเจอแล้วไม่ยอมตายตอนแรกที่ที่เคยพูด ก, กับพาจาไม่ยากช่วยไม่ ไ, ไม่ยากจช่วยไวลาก็ต้องทุกไปใช่ค่ะตอนแรกที่พูด ก, กับภาษารเหมือนยอมตายนะั้นเออได้ไดยอมตายเหมือนปฏิบัติธรรมอะตอนใจมันเย็นมันก็พูดได้้ิค่ะพอไปเจอแนละ้วเอาเจอของจริงนี่เลมันสเสตย์หายไปหมดเลยใช่สิค่ะ พิเรฆมาแทนที่เลยใช่เจ้าค yeah. so. ่ะอาจเป็นเพราะว่าหน่อยแบบไม่ได้ทําทานวันนั้นแล้วก็ศีลอยังไม่ครบช่วงเช้าสติยังไม่มีหรือเปล่าเจ้าค่ะการปฏิบัติของเรายังไม่สม่ําเสมอใช่เจ้าค่ะยังยังไม่ถึงแบบติดลมอ่อนบางวันดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่มีบางวันก็ไม่ดีต้องปฏิบัติแบบดีทุกวันอยากให้ทุกวันเป็นแบบนี้จังเลยเจ้าค่ะที่ ใจ อ, อย่างเงี้ยตัวก็ต้องต้องพยายามปฏิบัติดีเรื่อยๆเดีไปมันจะเป็นอย่างนี้ เ, เป็นไปได้ไหมเจา้าค่ะได้ <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยทําให้มันให้เราได้ผลดีขึ้นไปตามลําดับที่ไม่ได้ผลดีเพราะเรายังไม่ปฏิบัติปฏิบัต <c oughs> ิน้อยมากใช่เจ้าค่ะน้อยมากจริงๆแบบอายเหมือนที่พี่ต่ายพูดเลยหน่อยก็อายเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรอย่าไปอยากเข้ามาเกาะกลุ่มแก้ไอดีกว่าตามไปค่ะทำให้ไม่อายดีกว่าปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่อายดีกว่าอายก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรค่ะจะพยายามให้มากที่สุดล้มแล้วลุกใหม่อ่าอย่าถอยก็แล้วกสู้ไม่ถอยนะต้องค่ะมันทรมานค่ะชาตินี้ทุกเหลือเกินนะคะอ่มีอะไรอีกไหไม่มีแล้วจะค่ะโอเคสาธุ อ่ะมันพังว่าไรวันนี้รู้จักสามยอดยามหยุดเย็นนะยามหยุดเย็นเจ้าคะ่ะ ว, วันนี้มายามหองออทุกเรื่องได้ปะเออจริงๆหมดทุกเรื่องนะเจ้าคะ่ะเพราะว่ามันมันมันรู้ว่ามัน เหมือนที่เคยเคยกักเรียนพระอาจารย์ครับรู้ว่ากําลังจะโกรธกาลังจะไม่พอใจพอสักแป๊บหนึ่งมันมนสติมั น, ม, นมันให้เรารู้ว่าอ๋อโกรธอยู่นะไม่พอใจอยู่นะแล้วก็นิ่งค่ะพอนิ่งแล้วมันก็มันก็สบายมันก็เบาค่ะแต่วันนี้คขาบาม า, มากักเรียนขอกุญแจพระอาจารย์สักนิดหนึ่งค่ะจริงๆหนูหนูเฝ้าดูห น, หนูหนูใช้ธาตุรู้อะค่ะเฝ้าดูความคิดของหนูมาสักประมาณสองสามอาทิตย์แล้วค่ะ แล้วก็อยากจะได้ความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งคือไอ้เจ้าลูกสาวที่เขาไปอ阿拉斯加ค่ะแล้วก็เขาก็มีปัญหาตลอดเวลาเลยค่ะตั้งแต่วันไปจนถึงณปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายจ้างหรือนายจ้างไล่ออกไม่มีบ้านเอ่อพอทะเลาะกันก็เขาจะเอาตำรวจมาจับจนกระทั่งแบบได้บ้านแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้เพื่อนที่ดูแลดี มันจะมีช่วงที่เขามีความสุขมากมากอะค่ะเขาเขาก็ไปทำงานงานสองแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปไฮกิ้งนะคะแทบจะทุกสัปดาห์เลยค่ะช่วงนั้นถ้ามีความสุขมากเขาก็กลับเขาก็บอกว่าเออแม่เดี๋ยวหนูจะอยู่ต่อได้ไหมหนูบอกว่าก็แล้วแต่จะอยู่ก็อยู่ถ้าถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ถ้ากลับมันก็กลับมาเป็นเจอสภาพความเป็นจริงอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานหนูก็ทักไปว่าอย่าลืมนะไอ้ตัว S S N ของประกันสังคมอะ ไปอย่าลืมไปจัด ก, การให้เรียบร้อยเขาก็พักมาบอกว่าแม่เ อ, อตอนเนี้ยเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันผู้ชายเนี่ยประสบปุัติเหตุคือโดนรถชนตัดหน้าแล้วก็เ อ, อได้รับอุบัติเหตุที่ร้ายแรง อ, อครั้งแรกหนูหนูก็ถามก่อนว่าเออเพื่อนเป็นอะไรไหมเพราะว่าคือถ้าถ้าลูกเขาเขาตอบหนูกลับมาว่าเพื่อนเป็นนู่นเป็นนี่หนูหนูหนูก็เข้าใจไดแ้แล้วว่าลูกหนูไม่เป็นอะไรสุดท้ายหนูหนูคุยกับลูกหนูถามว่า ไอ้ที่มีความสุขอะที่ไปเที่ยวอ่ะมันเป็นสุขแบบไหนมันสุขแป๊บเดียวแล้วความทุกข์มันเยอะไหมอะไรเงี้ยเขาก็ตอบว่าเออแม่ความความทุกข์มันเยอะความสุขมันเป็นแั๊บเดียวจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามว่าแล้วสติมีไหมเขาเขาบอกว่าโชคดีที่เขาไม่ได้ไปวันนั้นสุดท้ายแล้วเขาเขาบอกว่าเขามีสติมากขึ้นแล้วเขาก็จัดการอะไรได้มากขึ้นทีนี้กลับมาที่ตัวหนูนะคะสามอาทิตย์นะคะหนูหนูเฝ้าหนูเฝ้าดูความคิดของหนูว่า หนูเป็นทุกข์ไหมหนูก็หนูก็ตอบตัวหนูเองว่าหนูไม่ได้เป็นทุกข์แต่ว่าหนูมีความเป็นกังวลแล้วมันก็เกิดความฟุ้งซ่านค่ะพอคิดไปคิดมาหนูหนูก็ว่าจะถามพระอาจารย์ว่าเออหนูจะแก้ตรงนี้ยังไงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นความเป็นแม่ค่ะมีความห่วงใยต่อลูกก็ไม่ยอมอยู่เลยไม่ยอมยังห่วงลูกอยู่ค่ะแต่ยายามเติมเป็น ต้องยอมให้ลูกเป็นอะไรไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเขาจะเป็นจะตายก็ยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้เพราะเราอยู่ที่นี่เราก็ไปทำอะไรให้เขาไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่ค่ะก็คือหลกักๆหนูหนูก็แบบเออปล่อยแล้วคือหนูหนูก็คิดแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นอะไร็นแตนน่ความฟุ้งซ่านย้องย้ อ, ย อ, ย อ, ยอนให้มันเป็นก็หายฟุ้งซ่านที่มันฟุ้งคว่มไม่ยอมมันพยายามคิดอยู่เรื่อยๆค่ะอันนั้นก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือ เราต้องรู้จักการพับภาพการการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือรับได้กับต้องรับให้ได้กับทุกสถานการณ์ต้องไหมจ๊ะค่ะตอนแลก<ม>หนูหูดอาสุพะหนูหนูใช้อสุพะแต่หนูรู้สึกว่ามันเออ ม, มันก็ยังไม่มันยังก็ยังไม่จบยไม่ขาดก็เลยคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมามามากราบพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งในการนี้ต้องใช้อนิจกรรมไม่ไม่มีอะไรแน่นอน จะเป็นจะตายเมื่อไหร่นี่ไม่มีใครรู้อห็นไหมคนขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องที่อินเดียลอดไปคนเดียวะเดียวคนเดียวมันต้องคิดแบบนี้คชีวิตเราเนี่ยมันจะควันอยู่บนเส้นได้ทุกคนจะขาดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ะค่บอบบางมากชีวิตของเรานี่ค่ถ้าไปห่วงไปกังวลก็ไม่ไปแก้ปัญหาอะไรค่ะ สุดท้ายแล้วหนูก็มารู้ว่าหนูวะไม่ไหวแล้วนก็นอนหลับดีกว่าเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยถ้าไม่ยอมรับความจริงว่าอะไรก็จะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วค่ะงั้นก็ไม่เป็นห่วงเขอย่างนอนหยุดเย็นอนยุดเย็นยังไม่ยังไม่ย็นยังไม่เย็นซะทีเดียวยังไม่ยอมซะทีเดียวอยังไม่หยุดทีเดียวถ้ายอมจริงจรมันก็อยู่ชิดแล้วช่างหัวมันมันจะเป็นจะตายเหมือนกันหัวมัน มันอยู่ภายใต้กดตายรักทุกอย่างอยู่ภายใต้กดตายรักอันนี้ทางทุกขงังวณนาตาเจ้าค่ะนายจะครั้งนั้นเดี๋ยวหนูเอากลับไปฝึกใหม่อีกครั้งเจ้าค่ ะ, อะขอบขอบขอบพระคุณค่ะน้ อ, ะองใช้ตายรักเดวพิจารณาทุกอย่างมันเป็นตายรักฝนค่ะขอบพระคุณสำหรับกุญแจที่สําคัญเจ้าค่ะขอพระประจําทัด่างแข็งแรงเจ้าค่ ะ, ะสาธุน้องเอ๋ การนมัสการนะคะพระอาจารย์หายไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะไปทําอะไรมาเลยเ อ, อ๋อพอดีว่าเพื่อนถูกก็เลยเหลอกเพื่อนพาไปปฏิบัติธรรมค่ะก็เลยต้องเอ่ออ่าตัดการใช้มือถือค่ะอ๋อค่ะก็เลยหายค่ะไปวันนี้ดีไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ <c oughs> ไปเที่ยวหายไปเที่ยวไม่ดี <c oughs> ออมแล้วก็ที่จะมาที่เห็นพระอาจารย์คุยเรื่องติ๊กตอกค่ะพอดีประกาได้ยินชันไหยคะว <c oughs> ิกิวันเสียงสดุดได้ได้ฉันได้ยินฉันอพูดถึงเรื่องติ๊กตอกค่ะปกติเอิงไม่ค่อยได้เล่นติ๊กตอกแต่ว่าก็มีช่องติ๊กตอกค่ะแต่ว่าเปิดไปเราไปเจอของพระอาจารย์สุชาติค่ะ <c oughs> ขึ้นมาที่บอกว่าแบบ คุณพ่อผ้าอาจารย์พูดว่ามึงจะบ้านหรือเปล่าที่จะบวชค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้เหมือนแบบว่ามันพอดีเพราะว่าที่บอกกับผาอาจารย์แปว่าเอิ้งลาออกจากงานประจำใช่ไหมคะก็เลยไม่มีไรายได้แล้วเราก็จะให้เวลากับการ ภาวนาแล้วก็ย่เคียดทุก ท, กทกอย่างที่เคยสร้างมาตอนไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาเห็นคลิปในติกต็อกนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ก็มีกำลังใจแล้วก็บอกตัวเองว่าต่อให้ใครมาบอกว่าบ้าเอิงก็จะทำค่ะพระอาจารย์อืมาม า, ม า, มาแบบดีไม่เป็นไรหรอกไ ม, ไม่ไม่ดี <laughs> ค่ะแล้วก็ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาฟังทำแล้วก็มาอัปเดตค่ะพรอาจารย์ว่าที่หายไปโ <Okay. S 2> <า>อเคค่ะอย่าทิ้งการปฏิบัตินะค่ะพอาจารย์<า>ไม่ทิ้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อของเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเอองอ่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้นั่งสมาธิเยอะแต่พอพระอาจารย์บอกว่าถ้าเอองเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิบ้างแต่ปกติเอองปฏิบัติแบบเอ่อรู้เคลื่อนไหวอ่ะค่ะ อสิ่งที่เกิดกับเอิงตอนนี้เอิงไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นออตโต้หรือเปล่าเหมือนเอิงใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะแล้วเจอสิ่งกระทบมากมายแต่ว่าเหมือนมันกลับเข้ามาว่าเอิงกําลังเดินอยู่เอิงกําลังมองเขาอยู่เอิงกาลังกระพริบตาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนเราไม่เมื่อก่อนเหมือนเรามีอะไรมากระทบเราเราไปตามแต่พอเรารู้สึกตัวมากๆบ่อยๆเข้าอะคะ่ะมันเหมือนเราก็ไม่ได้ไปผูกกับสิ่งที่มากระทบใช่ถูกต้อง ถ้ามีสติแล้วใจมันก็จะเข้าข้างในมันจะไม่เข้า อ, ออกไปข้างนอกเท่าไหรค่ะเพตอนนี้ก็ประมาณเป็นอย่างนี้คะ่ะการปฏิบัติแต่ถ้าทางสมาได้มันจะเข้าไปเรื ก, กว่ามันจะมีความสุขมากกว่าด้วยค่ะค่ะได้คะ่ะพระอาจารย์เองก็ก็จะปรับไปเรื่อยๆแต่ก็เปิดศรัทธาในการปฏิบัติมากๆค่ะพระอาจารย์ คุณพราะจารย์เหมือนกันคะ่ะว่าแบบสี่ปีที่แล้วที่เอิงเจอร์พระจาย์แล้วก็ทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ ค, ค่ะอ่ายินดีด้วยชาทุกโอเคคุณจอยว่างไงเจอกันมากี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีเหมือนกันตั้งแต่เข้าห้องซูมมาเนี่ยหนูว่ใส่บ่าปพาาระจย์ตอนแรกเออสามสิบเท่าไหร่สามสิบที่ตอนนี้สี่สิบ กห้าหกปีแล้อหกห้าปีค่ะใส่บาตรมันเกิดเนี่ไม่ค่ะคือหนูดูในเฟซบุ๊กแล้วพี่หรเดี๋ยวพราจารย์ในเฟซบุ๊กแล้วหนูก็เลยพี่เขาเลยแนะนําว่ามาใส่สิมาใส่บาตรพราจาย์สีแล้วหนูก็คือไปครั้งแรกพาแม่ไปแล้วตั้งแต่นั้นหนูก็ทำมันต้องเลือกทำมันต้องเลือกใส่กับอง์นั้นองนี้ด้วยองไหนก็เหมือนกันนะคือตอนแรกหนูใส่บาตหน้าบ้านประจําแล้ว พ่อหนูว่าสบายกับพ่อจานหนูไม่ได้คิดไปเองคือหนูแบบกับมาแ้วหนูอิ่มเลยหนูไม่กินข้าวเลยค่ะคำว่าอิ่มบุญหนูเข้าใจวันนั้นแรกเลยค่ะอืมว่าอิ่มบุญมันเป็นยังไงมันอิ่มมันอิ่มจริงๆมันไม่หิวอะไรเลยมันมันอิ่มมันสุขใจไปหมดเลยหนูก็เลยแบบแม่ปะเนี่ยลก็มาใส่ตลอดจนแบบหนูคิดแล้วว่านั่นแหละตอนหนูต้นหนูกับพ่อจารย์ใครจะตักขะควเหรอคะ เราบอกว่าเออใครจะแบบไปก่อนหรือหนูหรือเขาคนอะคือความรู้สึกนี่มันต่างกันนะใส่บาตรครับองนั้นองนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะหนูใส่บาตคเราะว่าหนูเฉยๆทุกองแต่ว่านั้นหนูไ่ใส่พระใจครั้งแรกหนูบอกแม่หนูกลมาหนูอิ่มมากมันอิ่มบอกไม่ถูกมันเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่รู้หนูเป็นครั้งแรกหนูเป็นแล้วหนูก็ถือว่า แล้วแม่แม่หนูก็เป็นแม่แม่ก็ไม่เคยที่อากจะไปที่ไหนเหมือนกันแล้วแล้วคนก็ถามว่าทำไมสาวมแม่ลูกเนี่ยต้องมาใสาบ่บาตรไกลๆตลอดเลยแต่หนูกับแม่จะไม่พูดอะไรกันให้เขาพูดไปอืเพราะว่าอยู่ที่ <พอ S 2> ตัวเราเขาไม่ได้สบบัมผัสเหมือนกับเราที่เราได้สัมผัสเนี่ยใช่ค่ <réussi> ะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเรารู้สึกว่าเราเราสบายใจที่เราได้ทําตลอดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครมาแล้วก็พยายาม เร่าสันทิติโกเนี่ยเรียกว่าธรรมะเป็นสันทิติโกค่ะแต่ว่าหนูก็มีปัญหาหนึ่งอย่างคือกับการทํางานคือหนูทำตอนนี้หนูเปรียยนมาทําไม่ได้ทำขายของแล้วหนูมาทําเรื่องบัตรคนต่างด้าวค่ะแล้วทีเนี้ยหนูหนูต้องแบบโครงงานจ่ายเงินกันแล้วทีเนี้พี่เขาบอกว่าหนูบอกว่าหนูจ่ายยอดสุดท้ายแก้หมดแล้วแต่เขาบอกว่ายังเธอจ่ายยอดแต่ไม่ตรงหนูก็เลยแบบเอาแต่หนูจดไว้แล้วทีเนี้ยประเด็นคือหนูไม่ ตอนหนูให้เงินเขาอะ่ะหนูจดให้เขาแต่เขาไม่มีใบเสร็จมาให้หนูอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยหนูก็เลยคิดเขาว่าจะทํำยังไงก็ยังไม่คิดไม่ออกเลยรอเขาก็คุยกันให้เข้าใจถ้าเขาไม่ยอมก็อาจจะต้องจ่ายตามที่เขาต้องการให้มันจบจบไปนั่หละหนูคิดอย่างพ่ออาจารย์หนูก็ ค, คิดว่าเขนจ่ายข้างโง่เราเองเราไม่รับข้อเวลาให้เงินเข า, เาไม่ขอใบเสร็จเก็บไว้ใช่ค่ะหนูก็ นูก็มานั่งคิดแล้วคือข้างข้างหน้าเนี่ยมันมีทําบีนูก็เลยคิดว่าเอ้ยเราควรทายังไงเราควรทำแบบเขาต่อหรือว่าเราควรเปลี่ยนเจ้าหรือว่าเรารเเจะทําเองเลยมันถ้าทําเองมันไปไกลมันไปสู่ ป, ปาการา <c oughs> น้องบอกรบกวนหางได้ว่าทางไหนจะดีที่สุดสําหรับเราก็ทําเอาทางนั้นก็แล้วกันก็หนูก็เลยแบบโ อ, อ้ที่ไม่ขอเถิดทางว่ามาเข้าฟังธรรมก่อนดีกว่า ทั้ลก็อย่างนี้วุ่นวายไม่แน่นอนใช่มันมั น, ปนไปไดที่แบบมันไม่รู้จักจบพอเหมือนกัแบบหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้หมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นมาตลอดเลยเอาความโลกมันไม่มีวันสิ้นสุดใช่มันอยากได้อยู่เรื่อยๆหมูก็เลยแบบหนูว่าเอออยากให้มันจบๆแต่ก็หนูก็คิดอย่างที่อาจารย์สอนนะคะว่าถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ตามที่เขาต้องการไปแล้วก็ จะได้จบๆไปเออแล้วก็ทางนางก็ทุกครั้งจะให้เงินกขาก็าขอใบเสร็จมาเก็บไว้ค่ะต่อไปก็ต้องแบบรอบพอขึ้นเพราะว่าตัวเองเออคิดว่าอย่าไปเชื่อคนอย่าไปเชื่อใจคนค่ะอ่มอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายจริงอ่าพราะเราคิดว่าเราเราซื่อสัตว์เราคิดว่าเราจะไม่โกงใครซื่อสัตย์แต่เขาจะไม่ซื่อสัตย์มา้งเราเลยใช่หนูห น, หนูคิดคิดถึงตัวเอง มากกว่าว่าเออเราเราทำงานเราอยากเราเราเราเพราะเรารปฏิบัติด้วยเราไม่อยากโกงใครเราโกบาบเราก็อยากให้มันตรงตร ง, ตรงแต่เขาแบบเขาพูดมาแบบนี้เราก็เราก็สะ<น>ุดเลยคนซื้อมกกักจะเป็นคนโง่ไม่รับข้อไม่คิดครับข้อใช่ค่ะถูกต้กองเลยจ้าเนื้อหนูจะเอานําไปอีกเพราะว่า ง, งานหน้าก็มีอีกเนี่ยหนูต้องได้ทําอีกรอบนึงคิดว่าเราคิดอย่างนี้แล้วเขาจะคิดเหมือนเราไม่แน่นอนคนอีกคนก็อาจจะคิดต่างจากเราก็ได้ ได้ความรู้ได้ความได้ได้ได้เป็นครูสอนตัวเองเลยค่ะเรียกเป็นบทนรียเนี่ยค่ะบทเรียต้อง <ไป S 2> ใจเสียข้างโง่หน่อยก่อนมีชันน์ต้องง่ก่อนถึงจะได้ <c oughs> ต้องทุกข์ก่อนวิญญาณถึงจะเกิดจริงค่ะถ้าเขาไม่เจอความทุกข์หนูก็คงไม่เจอหัวใจหนูหนูยอมรับเลย ว, ว่าหนูเจอความทุกข์แบบทุกข์มากหนูร้องไห้แล้วหนูแบบแล้วหนูเจอหัวาจาหนูแบบไม่ฉันไม่ทุกอีกแล้วอืม จะไม่ไม่ทุกแล้วพอกับการทุกทีอ่าดีเลือกปฏิบัติดีกว่าค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแนนคุณแนนนี่ไม่ทุกข์กับอะไรเลยดูสแฮปปี้ตลอดเวลากันแนนมาสักครครัาจค่ะตอนนี้ก็ได้หมดค่ะก็ดีค่ะเออรัได้ทุกอย่างนะอะไรจะเกิดก็เกิดแะไรจะดับก็ดับนะใช่ค่ะรู้ทันอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์นี่ปล่อยวาง สั่แต่ว่ารู้สั่งแต่ว่ารู้อ่าไม่ไปหยุดต่างอ่ดีสาธุจารย่แบขอบพระคุณค่ะก็เมือนกับคุณหอสุดทยชั้นเนี่ก็เนื่งสงบใฉยตลอดเวลาสงบตลอดเวลานะว่าปล่อยวางแจะผ่าธรรมปาร์อืมไม่เครียดกับอะไรไม่เครียดเจ้าค่ะอ่าดีมีอะไรจะถามไหม ไม่มีเจ้าค่ะโอเคการรักษาความสงบไปตลอดนะเจ้าค่ะขอบพรคุณค่ะส่วนคุณก้าวเนื้อเสือว่ายังเครียดอยู่ไม่เหมือนกันว่ามีคุณอว่าเข้ามาแต่ละครั้งนี้มีปัญหาเข้ามาให้ให้ได้ฟังทุกทุกครั้งเลยอาอยู่นี่พีณภหน้าตาเลยท่านนะครับอืม ถ้ามีของทานเพราะว่าถ<ม>้าเรามีสินค้าแล้วเราพยายามแบบว่าวองแหย่สินของตัวเองดูจะรู้สว่ามันไม่ค่อ ย, อย่มันเป็นพื้นฐานแล้วมันมันโอเคแล้วครับแล้วก็มีแต่สินค้ากับสินแบที่เพิ่มขึ้นไปครับตอนนี้คิดว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงมือตามต่อสินค้าเดี๋ยวสิแบททุกวันเลยนหะ วันนึกจะว่าวันพระวันนี้ได้สิ่งเด็ดครับอาจารย์ดูดูที่ศูนอก็ไม่เป็นไรดีกับไม่ได้อะไรเลยพยายามทำเท่าที่เราทาได้ไปก่อนแล้วพยายามขยับให้มันขึ้นไปเต็มที่ต่อไปอ๋อได้ทำขังสอรอาจารย์ที่อาจารพูดไว้ทุกอย่างที่ได้ไว้กับพี่นาหรือพี่ทุกคนอ่ะผมก็เจอหมดเลยครับ ในดังเรื่องก็รู้สึกติดคับมีสั่งเต็มมากเลยครับอเคมีอะไรไหมมีคำพูดต่อมาครับคุณนโดครับเดียจะพยายามรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปครับอืมร้อนตาหานิดน้อยลงนะทอนี้คนที่บ้านเขาไม่อยู่ครับที่บ้านก็เลยไม่ทําอาหารทีนี้เราสบายเลยไม่มีใครมันวัวมันเค ปลาแก้วเดียวแล้วก็อยู่ได้ตลอดเลยตอนนี้ก็ไม่ไม่อาาเดี๋ยวว่าจะลองกินพวกน้ำปลาหรือว่าสิ่งนี้ดู น, น่าจะช่วยลดลดชาติของราอาหารโอเคอ่าพยายามเดีย<า>ก็ต้องชนะอย่างแน่นอนชนะตอนดีที่สุดในการไปชนะคนอื่นแค่นี้พอใจแล้วแมับารว่าขึ้นได้เปสิบกรารก็ เรอยากลองไปว่าดีดีเฉยดังช้างอยู่กับศีลมาเจอเองเรากรู้สึกเรารู้สึกมีความสุขได้เองเลยที่ว่าเราไม่ต้องทำธรรมะที่นีครับอืมแต่ก็คนจะทำํำนะธรมารที่นี่เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งโอ okay. เค<ต>จ๋าจอาคุณผิพี่เคพี่เคเป็นใครไม่รู้คุณโ อ, อหรือเปล่าไม่ใช่เพิกล้ามาใหม่นนะ อาจม า, าแล้วค่ะตอนนี้ก่อนนัน่งกันเลยหายไปไหนมาชื่อปีเคแล้วเหรอพอดี <laughs> วันนี้มีเอบซิบชั่นค่ะก็เลยกับเด็กคู่นี้เข้าจากร้านอาหารแล้วก็อเผอิญมันเกินเวลาไปลราก็เลยออกไปก่อนค่ะแล้วได้รีบเดินกลับบ้านมาค่ะพรอาจารย์อนางกุณมากัาบพระอาจารย์ด้วยอ่ายังชื่อนักกุอยู่เลย <laughs> เรียกผิดค่ะเวลาเรียกผิดโกรธทุกทีเลยค่ะว่า <Yeah. S 2> <laughs> ต้องเรียกว่าต้องเรียกพ k เคเลยต้องเรียก PK คุณพระกวัลค่ะเน้องพีแทนนะต่อไปนี้ข่ดไหมดอนน้นสัการ์ดอาจารย์ อ, อ, อืาไปเลย น, น่าจะน่าจะไม่สบายค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือว่าแต่มันมีไข้ค่ ะ, คะพอาจารย์เสียงเขาหายไปค่ะอืมก็ดูไปค่ะโอเค หนูไม่มีคำถามค่ะให้พระอาจารย์ทากขันแข็งแรงนะคะวันนี้มีแอบซิเบชันที่ไหนนะที่ไบเทคค่ะพระอาจารย์เป็นงาน เ, เกี่ยวกับแมชชีนออโตเมชันอะไรพวกนี้ค่ ะ, อะพอเคไวเครื่อง้ือองไรต่างๆค่ะเครื่องจากหุ่นยนต์ค่ะมีสักวันเลยค่ะไปยืนนะทั้งวันเลยค่ะแล้วฝากให้คุณพัทวัฒน์เขาเล่นอยู่ที่ในห้างแล้วเพิ่งไปรับกับ โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุจะไม่เล่นเข้าวะอ่าบายบายอ่าไปที่บาริดต์บาริดตอนนี้กลับเมืองไทยได้ยังยังอยู่ที่เกียวโตอยู่กลับกับเมืองไทยครับอยู่กรุงกลับมาที่บ้านอยู่พ่อแม่ครับกลับมาได้นานได้ยังไั้พักหนึ่งแล้วครับเนี่ยไปยังจบแล้วก็ตอนนี้ก็เอกำลังคิดไอเดียลงหาตังค์เล็กๆน้อยๆดูดีกว่าอย่างก็แบบ เหมือกนกันแบบพราะอยู่นู่นรู้ว่าเราเองทําอาหารบ่อยอเราทําอร่อยเหมือนกันทําขายหน้าบ้านดีไหมอะไรก็คิดอะไรกันประมาณเราเปิดทําอาหารขายอแอนวิตอะไรแบบนี้ครับเพราะมันยุ่งกับไฟอืมก็ดีมีความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้ก็ดีลองทําดูก็เป็นเล็กน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆแล้วมั น, ม, นมันอาจจะเริ่มโดยต้นแตกชิ้นเดีย ว, วต่อไปอาจจะเป็นร้านชิ้นก็ได้นะเฮ้ย <laughs> ตาดูแบบ ถ้าคนถ้าถ้าถ้าคนชอบสักอย่างเนี้ยมันก็มันก็เป็นเหมือนไฟมันลามไปเองรวดเร็วครับก็วันนี้จะมาถามคนถามธรรมะเรื่องทำไมอาจจะมันทาไมมนุษย์เมื่ออายุอะไรอะเริ่มช่วงวัยรุ่นมันชอบอัตตาสูงแต่พออายุมากขึ้นมันจะมีแบบขึ้นลงมันเหมือนมีแพทเทิร์นของมันเพราะอะไรอย่างนี้ครับหลงพถึงม้จะไม่ตายตัวก็เถอะครับ เัาประสบการณะการไงมันเรื่องรู้จักคนมากขึ้นรู้จักโลกมากขึ้นรู้ว่าไม่ใช่เราอยู่คนเดียวมันจะเจอคนที่เก่งกับเราก็มีคนที่น้อยกับเราก็มีมันเห็นภาพชัดมากขึ้นตอนเด็กๆเราไม่ค่ยเจอใครเท่าไหร่เราคิดว่าเราเด่นที่สุดแล้ยอดที่สุดแล้วอ๋ออ๋อโตขึ้นจะประสบการณ์มากขึ้น ก็ใช่ครับตอนนี้ผมเพิ่งผ่านวันเกิดอายุเท่าหลวงพ่อตอนบวชแล้วครับตอนนี้ผมยี่สิบเจ็ดเลยยี่สิบเก้าแล้วครับยิบเก้าบวชตอนยี่ิบเจ็ดไม่ได้บวชยี่บเก้าหรอกหลวงพ่อที่วัดป่าวันตาไม่ลับบวชยี่สิบเจ็ดบวชยิบเจ็ดที่วัดบวรเอ๊ยยิบเก้าเสืออะไรนะครับไม่รู้คุณแม่วาจาไรไม่รู้ตรผมบวกเลขผิดจำผิดเนาะน่าจะจาผิดนะอืาก็ ตอนนั้นอายุพระพเจ้าเอาสลับกันอนระพูทเจ้าบวอายุย9่สิบเกาแลบวชอายุย7ิบเ็อ๋อครับก็ตอนนี้คุณพ่อเกษียณแล้วคุณแม่เหลืออีกปีหนึ่งครับอืก็แต่โชคแต่ก็กออังไง ค, คุณยายยังอยู่เปล่ารนะับคุณยายเป็นยังไงบ้างาคุณยายเพิ่งผ่านวันเกิดเก้าสิบสองมาครั บ, รบก็บก็สมองอัลไซเมอร์ ความจไม่ดีแล้วนะไม่ไช่แค่ไม่ดีครับแบบไม่สามารถตั้งการให้เคียวได้แบ่งฟันไม่ได้แล้วเลยแบบก็เลยมีพยาบาลผู้ดูแลป้อนคอยป้อนให้นะครับแต่ว่าวันก่อนผมก็บอกวันนี้มันเกิดหลานนะคุณยายคุณยายก็แบบอยูู่ว่าขอให้แล้วก็แบบจะพูดอะไรแต่ว่าฮก็เหมือนยังแสดงว่ารับรู้ได้ครับแต่ว่ามวลประมวลผลอาจจะมีปัญหาไม่สามารถแสดงได้ใด้ครับก็ นนตแตยิง่งได้ก็เลยแบบงานตายไม่เที่ยงก็มีธรรมะบางอย่างไปมากขึ้นนะครับหลวงพ่อต่อไปแล้วก็จะเริ่เป็นเหมือนคุณยายแนละ้ใช่ครับแบบก็มันอายุมันไม่ใช่แบบหนึ่งเปอร์ซ็นเต็มร้อยนะเพราะว่าอายุไขมนุษย์มันไม่ใช่ร้อยประมาณเฉลี่ยไม่ใช่ร้อยมันเจ็ดสิบแปดสิบมันก็มันก็ต้องทําใจต้องเตรียมตัวครับเหมือนผมก็มีเสื่อมบ้างเหมือนกัน Mm hmm. อครับเอนแต่ผมก็เพิ่งได้ธรรมะอะไรนะอย่างเช่นที่ดูคลิปเด็กอะไรไม่ต้องบินสูงอย่างใครเขาพอฟังเออมันก็เป็นธรรมะที่ดีเนาะเอาเพือเอ็กเพียรเทียบกับชาวบ้านมันก mm ็ทุกข์ที่เด็กเขาไปพูดกรอนนะครับหลวงพ่อฟังแล้วก็ mm hmm. เออเขเป็นธรรมะดีผมก็เจอความทุกข์เช่นตั้งเป้าว่าอยากหางานอยากสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอมันไม่ได้ตามเป้ามันก็ทุกข์แต่มันแบบ มันอยู่ๆมันคิดอะไรบางอย่างแล้วมันเลิกทุกเพราะว่าอะไรนะมันเหมือนความสิกมันเหมือนสิ่งที่เราทุกคือความคิดมากของเรานะคือสิ่งที่ทํา้ายเราที่สุดก็เลยบอกเลิกคิดไปก่อนหนะ้าอย่างนั้ น, นครับเอ่าีความคิดถ้าคิดไม่ดีก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดดีก็จะทําให้ใจสงบครับก็มามาขอพรว่าขอให้มีมีวันเกิดอีกปีหนึ่งครับลวงโอเค พยายามปฏิบัติให้มากๆแลเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะสาธุขอบคุณครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อทายสั่งแรกก่อนาอ่าปูเปอ่ปู้ปรตับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะชัดเจนจ้ะเจ้าค่ะของหนูก็รุยปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ครับก็ เมื่อวานนะคะพอหนูมีประเด็นคือหนูมีอาการปวดต้นคอตอนกลับบ้านนะคะปกติแล้วหนูก็จะชอบนั่งสมาธิในรถเมย์เนะะี้ยค่ะตอนมาทำงานแล้วก็ตอนกลับจะมีช่วงหนึ่งของเมื่อวานคือปวดต้นคอเพราะว่าของหนุผากจนกระโหลกมันยุบอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อันที่มันมีปวดต้นคอหนูก็เลยบอกเอาแล้วมาแล้วปกติจะไม่ค่อยมาไงคะ่ะเพราะว่านั่งสมาธิตอนมาตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เมื่อวานตอนกลับดันปวดต้นคอหนูก็เลยามาแล้วความปวดคือแบบแรงมากเลยคะ่ะพระอาจารย์แต่ต้องขึ้นรถมีกลับบ้านหนูก็เลยใช้วิธีก็คือนั่งเข้าสมาธิแล้วคะ่ะพระอาจารย์พอพอเข้าปุ๊บพอลงเตรียมจะลงจากรถขึ้นมัน ออจากสมาธิกลายเป็นว่าหายปวดหนูก็เลยบอกก็เลยมองว่าโอกของดีก็สมาธิเนี่ยแหละคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าได้ใช้กับคือหนูก็ตอนแรกหนูจะมองว่าเอ้เราจะกินยาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่สุดท้ายหนูก็รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับเข้าสมาธิอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าสมาธิเลยะคะ่ะในรถมียอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยนอกจากฟังธรรมของดีแล้วนั่งสมาธิก็ดีมากเลยคะ่ะสําหรับ คนที่มีปัญหาร่างกายค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสมองเยอะก็เลยทำให้รู้อาการผู้ป่วยเกี่ยวกับการเกืนผ่าพระอาจารย์เพราะว่าจะมีปัญหาคือลิ้นชาแล้วก็กืนลำบากกล่องเสียงมีปัญหานะคะทำให้พูดไม่ออกเวลาจะสื่อสารก็จะบอกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ว่าต้องการอะไรอยากคือใจมันรู้ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าร่างกายบังคับให พูดตามที่ตัวเองคิดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะค่ะพระอาจารย์หนูก็มีปัญหาเยอะค่ะอาจารย์ทั้งเนื้องอกในสมองแล้วก็น้ําข้างในสมองค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นพยาบาลที่รู้อาการแล้วก็เป็นด้วยค่ะอาจารย์แล้โชคดีหนูได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ค่ะตอนแรกหนูก็ตกใจนะคะพระอาจารย์เพราะว่าหนูชอบเอ เล่นเฟซบุ๊กแล้วโพสต์เรื่องความฝันแต่พอหนูฟังทรามจากพระอาจารย์ความฝันหนูหายเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยตกใจเอาความฝันหนูไม่มีโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะพระอาจารย์หนูก็ลุยปฏิบัติเลยค่ะแล้วก็ถามจากหมอวีถามหมอวีให้หมอวีถามพระอาจารย์ต่อค่ะถามเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆจนได้เข้าซุงมพระอาจารย์หนูก็ลุยเลยค่ะแล้วก็ได้ผลดีจากพระอาจารย์ค่ะ สาธุ <S <S โอเคสาธุไ ป, ปาาไปที่คุอุสาต่ออุตสาาดิสยาช้าชายทะเลสวยงามมากสาธุรการอาจารย์รู้แบบไหมยงขอ อ, อ, อนุญาตพทยอาจารย์นะคะปกติปกติพอเข้าซูมเสร็จยมจะโทรคุยกับมาริการเสมอแล้วก็มริการถามว่าทำไมอาจารย์ให้เล่าทำไมไม่เล่า โยมก็จะเล่าอะไรเขาบอกก็นั่งไงที่เบีอยู่บนเขาไงทนอยู่ได้ยังไงอาการป่วยก็ไม่ใช่น้อยทํามาจากไหนได้มาจากใครได้มาจากพ่อหรือได้จากแม่โยมบอกไม่ค่ะได้จากพระอาจารย์ล้วนเลยแล้วเขาก็ถามโยมว่าแล้วใช้วิธีใดอยู่กับความเจ็บป่วยโยมก็มานั่งงงเอ๊ะโยมว่าก็จําคําไะจักว่าถ้าตับใดที่เรายังไม่สำเร็จอย่าไปสอนเพื่อนโยมก็เลยมาขอความเมตตาจากอาจารย์ค่ะว่าสิ่งที่ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยอะค่ะอาจารย์ ว่าไงว่าจะสอนใครเลยวเหมาะใครได้หรือเปล่าเลยใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าก็ถ้าเขถามเขาพูดได้พูดจะเป็นเรื่องเฉพาะกิจไปไม่ใช่มาตั้งตัวให้เป็นผู้สอนตลอดเวลาแต่เวลาคุยกับใครส่วนหน้าการทำกับใครก็แลกเปลี่ยนความรู้ ก, กันได้ถ้าเป็นความจรงิงก็แลกกันขอให้ัเป็นความจรงิงที่เกิดจากประสบะการณ์ค่ะยม ก, ก็เลยยมว่าให้อาจารย์ สอนดีกว่าค่ะอาจารย์ยมเผื่อว่ายมจะได้ฟังด้วยแล้วก็เราใช้ทําไปนั่นถูกหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีเหตุมีผลก็เก็บเอาไว้นข้างในดีกว่าพูดไปก็เสี่ยงต่อการทั้งทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยคนที่เขาเห็นด้วยเขาก็อนุโมทนาคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะหาว่าเรามาม า, มาอวดหรือเปล่ามาอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะยมก็เลยว่าเออเอามาถามพระอาจารย์ดีกว่าแล้ะเผื่อว่าอาจารย์จะได้ ตอนในห้องนี้แล้วก็ได้เอาไปใช้กันนะคะแล้วโยมจะได้รู้ว่าที่โยมทํานั้นถูกต้องไหมอะไรแบบนี้นะคะ่ถ้าคุยกับใครเขาถามถามธรรมะ ถ, ถ้าเรารู้แล้วก็ตอบเขาได้ อ, อันนี้ไม่ได้เทวว่าเป็นการตั้งตัวเป็นอาจารย์เพียงแต่เป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมแ บ, บ่งความรู้ให้ต่อกันการได้สนทนาธรรมได้การสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่บอกว่าไม่ให้เป็นอาจารย์มันถึงเลือกปฏิบัติแล้วตอนนี้สอนอย่างเดียวสอนเช้าสอนเย็นสอนบ่ายสอนสอนให้กับคนทุกคนที่เจอที่ไหนก็สอนให้เขาตลอดเวลาไม่ไมค่ะอาจารย์โยมก็เงียบเขาว่าะจะมีมีคนมาถามว่าพี่ทําไมพี่ต้องไปวัดไกลๆทําไมวัดใกล้บ้านไม่ไปเวลาถึงถึงเวลานั้นก็ต้องมาใช้บริการแค่วัดใกล้บ้านโยมก็ยิม้มค่ะโยมไม่ว่าอะไรโยมก็ยิม้มค่ะยิย้มอย่างเดียว เพรว่าถ้าเขากล้าพูดกับเราแบบนี้ก็เราไม่มีเหตุผลที่ต้องอธิบายค่ะยองไม่ทิค่ะถ้านึ่งเฉยได้ก็หนึ่ที่สุดก็เลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกแปลกใจว่าเรายืนมองเขาว่าเราโดยที่ยิ้มหาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้สึกกระเพื่อมหรืออะไรค่ะว่าโอมันก็น่าแปลกใจว่าเรานี่สักแต่ว่ารู้ไงเดวบีเบเกอคือมันมันอึ้งตัวเองไงคะอาจารย์ว่าเราฟังได้ด้วยนะยิ้มหาอาจารย์ แล้วเขาก็จากไปแบบแบบโยมก็ยังจิ้มมองตามเขาไปอ่ะอาจารย์บ่อยเขาไปใช่ค่ะเพราะว่าโยมก็เอออยากทีแรกก็อยากจะย้อนนะว่าเวลากินกว๋วยเตี๋ยวทําไมต้องไปหาร้านอร่อยอร่อยล่ะทําไมไม่กินใกล้บ้านแต่ว่าโยมก็ไม่อยากตอบเขาแบบนั้นไม่อยากสร้างไม่อยากรู้ว่าถึงต่อบไปก็ไม่เกิดประโยชน์โยมก็เลยเฉยว่าอาจารย์อืมค่ะโอเคนะมีอะไรไหมขอบคะ่ะอาจารย์ไม่มีราคาคุณค่ะพระค่ะ เสทย า, ปยงงาเปไงการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ขึ้นไหมอ๋อโดยรวมก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอามันก็เอียงมันก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะพระอาจารย์ต้องอต้องนอนบางทีถ้าทํางานเต็มเวลาหนักๆเข้าก็ต้องกลับมานอนเป็นวันเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้กลับไปทํางานได้แล้วเหรอใช่ค่ะกลับไปทํางานค่ะแต่ว่ามีบางวันที่ต้อง ทำงานตั้งแต่เช้าถึงสองทุ่มติดกันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่ามันไม่พอพักผ่อนให้พอใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เพราะว่าอย่าฟืนาฟ้นอย่าฟื้นเอ่อร่างกายต้องการพักผ่อนก็ต้องต้องให้มันพักผ่อนตามที่มันต้องการค่ะพระอาจารย์บางทีอยากอยากจะแบบเอ๊หรือว่าเราจะต้อง ออกกาลังกายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องเดินมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรายอมรับสภาพแบบพยายามมองทําใจให้สงบก่อนนะคะแล้วก็มองอาการของร่างกายว่าตกลงเขาต้องการอะไรก่อนคะอ่ะพระอาจารย์ก็ให้เขาพักก่อนก็เดาว่ามง่วงเหรอหานอนหรือเปล่าถ้ามันง่วงมัต้องแสดงว่ามันต้องการพักผ่อนกนะ็ได้ธรรมะจากพระอาจารย์นั่นแหละค่ะแะแบบก็เพราะว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่า ถ้าผ่าแล้วมันน่าจะแบบว่าฟิลไปเลยแบบว่าน่าจะไปได้ฉิวปรากฏว่าเขาก็ต้องใช้เวลาในการรักษาร่างกาย ย, วยาวๆเหมือนกันค่ะป้าจ่าอืม <So> โอเคค่ะไม่มนะีอะไรหยุดนะต้ออ่าคุณจีบเห็นเข้ามาตรแตนตอนเริบมตอนนะหายไปลเลยออกไปข้างนอกเนะี่ยแล้วมันดุด อย้างในงานสังสรรคะอาไหมคะพอดีลูกสาวโทรมาคะ่ะเขาเขาปิดเทอมแล้วคะ่ะแล้วเขาออกไปวิ่งแล้วโยมก็บอกแล้วว่าวิ่งตอนเช้าแม่ต้องออกไปทํางานนะถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่มารับไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาวิ่งไปได้สักพักนึงแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าแม่หนูเดินกลับบ้านไม่ไหวหนูวิ่งต่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่อยู่บ้านหรือเปล่านะให้มารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าแม่มาถึงที่ทํางานแล้วลูกหนูต้องยังไงดีหล่ะจะเดินกลับบ้านเองหรือจะให้แม่เรียกอูเบอร์มารับอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเดินกลับบ้านเองเขาก็พยายามเดินกลับบ้านของเขาอะค่ะโยมก็แค่แบบออกไปเพราะว่าแถวบ้านโยมมันเป็นเลสเลนที่แบบ วิ่งกันคนละเลนด้านละเลนนะคะแล้วมันไม่มีไม่มีทางเท้าให้เดิมมันเป็นเส้นแบบว่าเขาเรียกอะไรคะไหลทางใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วบางทีรถมันขับแล้วแบบยมก็แบบกลัวว่าแต่เขาก็ระวังเขาสิบห้าปีแล้วค่ะก็แต่ด้วยความที่เป็นแม่บางทีก็แบบเออก็ต้องปล่อยเขาเหมือนเหมือนที่แบบว่าคุณปางวะไยพูดนะคะ วันนี้ยมก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติค่ะแล้วโยมก็เชื่อในคําที่พระอาจาร์บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยมันก็จะถอยถอยถอยแล้วว่าเรากลับมาปฏิบัติอีกทีมันก็จะยากมากขึ้นมันเหมือนมันยากกว่าเดิมตอนที่เราเริ่มปฏิบัติด้วยนะคะเหมือนเราแบบปฏิบัติมา <S <S แล้วพอหยุดหยุดปุ๊บแล้วมาเริ่มใหม่อ่ะมันยากกว่าตอนที่เราเริ่มใหม่จริงๆอะค่ะอืมมันเหมือนแบบไม่รู้ตัวกิเลสหรือมันอะไรมันจะฉุดเราตลอดเลยแบบ โอ้ยเมื่อยนะเจ็บขานะอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมค่ะก็จะพยายามเอาพุทโธกบมันอยู่ค่ะพระอาจารย์ทำถูกเราใช่ไหมคะถ้ามีอาการอะไรก็แบบพุทโธพุทโธไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจมันมันมันเป็นกิเลสสร้างอุปสรรคขวางกั้นเราเท่านั้นเองใช่ค่ะค่ะก็อย่าไป้กรรมทำงานกันโอเคตอนนี้สิรินทารจะสิรินทานกรรมเมืงไทยยัง ยังค่ะเอ่อสรินทรเข้ามาหรือเปล่าคะวันนี้วันนี้ยังไม่เห็ น, นเลยโอ้งั้นโนะยมกับกาพระอาจารย์แทนด้วยนะคะเพราะว่างานเขาคงยุง่งก็เดี๋ยวโยมกับสรินทรก็กลับเมืองไทยก็โยมไปก่อนแล้วเขาตามมาแต่ว่าโยมกับเขาจะนัดเจอกันไปกับพระอาจารย์ด้วยกันนะคะโอเคค่ะประมาณปลายเดือนกระะกฎานะคะโอเคอเค่ะกล่าวนามส ก, การค่ะพระอาจารย์สาธุ ข, ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็ ง, แ, ขงแรงนะเจ้าคะ ไปที่คุณลาต่อเลยคุณลามีคำถามไหมกราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุกเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระผู้ละทิ้งสิ่งต่างๆออกปลีกวิเวกบวชตลอดชีวิตไม่มีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้เกิดกิเลสเช่นไม่มีคนรักไม่มีเงินทองแล้วท่านจะพิจารณาละกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไรครับ เอามันยังมีกิเลสอยู่ในใจอยู่ที่ฝังอยู่กิเลสมันไม่มันมันไม่ได้หายไปกับการที่เราทิ้งทุกอย่างไปมันก็ยังสามารถที่จะโผลขึ้นมาในใจเราได้อยู่แล้วยังมีกิเลสส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ละยังไม่ได้ทิ้งเช่นนั่งกายของเรานี้เรายังไม่ได้ละยังไม่ทิ้งอ่าสัคขาญาติติเี่ยสังโยชน์สิบมันยังมีอยู่ในใจเราอยู่กิเลสสิบชนิดด้วยกันด้วยสังโยชน์สิบ คำถามสุดท้ายเมื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจจะละความทุกข์ใจนั้นได้อย่างไรครับหาพิจารณาใหม่ทใหม่ดเมื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจจะละความทุกข์นั้นได้อย่างไรครับอ๋อก็ต้องทำใจให้สงบวางเฉย การลการไม่พอใจได้ยินดีร้ายก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปจกว่าใจจะเฉยกับมันคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคมีท่านสุดท้ายก็มาอีกคนคนึง ค, คือคุณมาลีอมาลีเค้าจะได้ปิดฉากแล้วเนี่ยยังกล่าวหลวงพ่อครหนูหนึงว่าหนูเข้าไม่ได้แล้วค่ะยัไม่วลยังไม่เวลาอีนิดหน่อย ไม่ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อหนูก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันเ ส, สาร์อาทิตย์ที่ฟังหลวงพ่อก็นั่งปฏิบัติไปด้วยดีดีว่ากมาค่ะโอเคมีทั้งศรัทธาทั้งเพิ่มแรงในการที่จะปฏิบัติมากขึ้นค่ะหลพ่อดีจ้ะสาธุสาธุคะ่ะท่านนี้ก่อนนะค่ะหลวงพ่อเอาวเคุนมากค่ะ